อีทางดามังอนุปัโตอิทิมันตังนมามิหังติโนยอวัดดุคำห้าตินั่งโลกาหานโมตโมติโสภูมิงอติกันโตตินาโอคังนมามิหังปิโยเดวามโนสานง พิโยพระมหานามตโมพิโยนาคสุปันนานังปิยินตริยังนมามิหังโสกาวิรัติเจโตโยสุพมโนสเดวะเกโสกปเตปโมเทนโตโสบวันังนามามิหัง ภาชิตาเยนสธะธรรมาภคปาเปนตาธินาพยาสะเตมหาเสนโตพยาสันตังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพัญญตยานทรงปรารถนาความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีกามมาสวะเป็นต้น ก็ทรงได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากมหันตทุกข์ในวัฏฏะทั้งหลายแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในโลกทั้งสาทรงล่วงพ้นไตรภูมิเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักอันสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงเดระฉานนาคและครุดเป็นอาธิข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระอินทรีย์พุดผ่องพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกความล่ํายลําพันธ์แล้ว เป็นผู้มีความงดงามอย่างยิ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายโศกกลับมาบันเทิงอยู่ในกุศลข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระสัตว์ธรรมทั้งหลายอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบาปอันหักทำลายได้หมดเส้นแล้วพระบระมาศาสดาทรงมีพระหัตถไทยอันคงที่ทรงจำแนกแจกแกงพระธรรมรัตนะ พระ อ, องค์ทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยให้หายกลัวกลับมาบันเทิงอยู่ในกุนศนนำตนให้ออกจากวัฏฏุกได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ระ ง, งับภัยพระ อ, องค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยขอนอบน้อมภ ร, ริยรส่งเจ้าทั้งหลายด้วยความคารวเอื้อเฟื้อ เพราะความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้สูงสุดพระประม า, าสดานั้นทรงพระสุคตา้าพระองค์ใดไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสุขและทุกข์และอุเบกขาด้วยปฏิปทาที่มีความเหมาะสม ไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งสมบัติที่กามชักจูงได้ซึ่งสมบัติซึ่งกามชักจูงไม่ได้ไม่ทรงปรารถนาแล้วซึ่งพบที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและซึ่งพบที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทรงละได้แล้วเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันหาประมาณไม่ได้เราได้มีโอกาสได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญยาลาบอันประเสริฐ โดยเฉพาะพระธรรมคาสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นนิญญานิกธรรมนะเป็นธรรมที่จะนําสัตว์ออกจากมหันตทุกข์หรือออกจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเราได้ทราบความหมายและได้เข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นน่ะได้บันเทิงอยู่ในกุศลเดินตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ฝึกขัดขัดเกลาตนเองให้เต็มที่ จะได้เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการพ้นจากวัฏฏะทุกข์เมื่อวานอาตา ม, มาพูดถึงในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไว้ว่ามีปัญหาถามมาในเรื่องของความคิดว่าเออเราจะจัดการกระบวนความคิดยังไงฉะนั้นในช่วงเวลาประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเนี่ยนะก็จะ สาธยายตามคําสอนพระเจ้าแสดงไว้ในพระสูตรอยู่2สูตรเอามาพยายามจะใช้เวลานจํากัดเนี่ยนะจะพยายามสรุปประเด็นให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจในพระสูตร2สูตรเนี่ยโดยเฉพาะสูตรแรกนั้นทเวทาวิตกสูตรพระเจ้าพูดเรื่องของวิตก2ประเภทตรงนี้ขอสรุปประเด็นตรงนี้และส่วนอีกพระสูตรหนึ่งวิตกกาสันทานสูตร ในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงในเรื่องของที่ตั้งของวิตกว่าไอตัววิตกที่ตั้งของกามาวิตกเป็นต้นเหล่าเนี้ยอะไรเป็นที่ตั้งอะไรเป็นที่เกิดของเขาและจะขจัดพอกามาวิตกเป็นต้นเหล่านี้ได้อย่างไรอ่อขอเล่าเรื่องตรงนี้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันยอมเคยไปเชตวันกันไหมเคยไปไหม เชตาวันที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะเคยไปใช่ไหมหนัก น, นึกภาพว่าอันนี้เรานําเรื่องในอดีตมาเล่าให้เราฟังอารามของท่านนาธาพินิกาเศรษฐีรู้ไหมว่าที่เชตาวันมหาวิหารเนี่ยนาถาพินิการเศรษฐีเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นคนซื้อซื้อจากใครรู้ไหมซื้อจากเจ้าแช่เป็นเงินเท่าไหร่หรู้ไหมเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ สิบแปดสิบแปดด้วยสร้างด้วยเบ็ดเสร็จด้วยฉลองรวมเบ็ดเสร็จก็คือ45โกดโกดนึงเท่าไหร่โกดละสิล้าน45โกดเป็นเงินเท่าไหร่450ร้านเยอะไหมที่จริงจริ ง, รงที่ตรงเนี้ยเจ้าเชษจะไม่ขายพออนาถาพินิกาไปขอซื้อเจ้าเชษก็หลุดปากมาว่าถ้าสามารถ ใช้กระหาพนาเนี่ยปูเต็มพื้นแผ่นดินได้เราจึงจะยอมขายคือไม่ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าซื้อด้วยด้วยการเอาเงินมาปูพอพูดอย่างนั้นปุ๊บอาณาถากลับที่บ้านก็สั่งบริวารทั้งหลายขนเงินกระหาพนาเนี่ยใส่เกวียนมาห้าร้อยเล่มเกวียนแล้วก็จัดแจงให้คนงานร่วมปูพอปูเสร็จเจ้าแช่ก็สั่งห้ามบอกเออเราไม่ได้ขายนะ ล้วอุทานพูดออกมาแค่นั้นเองไปไปมาเรื่องนี้ก็เลยถึงลงถึงศาลกันมาวันวาก่อนว่าไปขึ้นลงศาลแล้วถามว่าถามว่าใครแพ้เจ้าเชษ์แพ้เอาพอแพ้เปียเสร็จทำยังไงแต่เนี้ยไปไปมานาถาก็ต้องปูเงินส8บปดโกดเต็มพื้นที่ถ้าคิดแปดกรีดก็ประมาณความยาวก็ห5สิบห้าเส้น หลายกิโลอนะจากทั้งยาวและทั้งด้านกว้างเนี่ยหลายกิโลปูเต็มพื้นที่ไหวไหมยอมท่าจะซื้อพื้นที่แล้วเอาเงินเอาแบงค์ห้าร้อยมาปูให้เต็มพื้นที่เนี่ยไหวไหมโหคนที่มีศรัทธาขนาดนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวใจท่านมากเลย ไปไปมาตอนี้พอปูเบสเสร็จแล้วเนี่ยจะมาถึงตรงซุ้มประตูเจ้าเชษก็ขอร้องหัว่าที่ตรงซุ้มประตูเนี่ยเราไม่ขายได้ไหมเราขอทําเองสรุปแลยก็เจราจากันต่อรองกันในที่สุดจริงก็เลยยอมว่าเอาละที่ซุ้มประตูทั้ง4ซุ้มประตูเนี่ยเจ้าเชททาเองซุ้มทางเข้าเป็นซุ้มขนาดเฉพาะสร้างซุ้มประตูเนี่ยหมดเงิน18โกรธนะพร้อมเลวิหารด้วยนะเอาเงินที่ซื้อมาทั้งหมดนั่นแหละ ไอ้ที่ขายทั้งหมดนั่นแหละมาสร้างซุ้มประตูแล้วก็บอกว่าต้นไม้ทุกต้นในบริเวณนี้เราไม่ขาย <c oughs> แล้วขอถวายพระสัมมาสมุทถวายสงฆ์มีพระทธเจ้าเป็นประมุูกสรุปแล้วก็คือว่าเห็นไหมวัดเนี่ยเวลาเราไปอ่านในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าเช <c oughs> <c oughs> ตวันเนอนาถปินทิกัสอารามีแปลว่าอะไรเป็นวัดที่มีกี่จาของกี่จาของ เชตวเนอนาถปินทิกัสอ า, ารามีใช่เป็นวัดที่มีสองเจ้าของเพื่ออะไรเพื่อจะให้ปัจฉิมาชนาตาชนคือชนที่เกิดเบื้องหลังอย่างเราๆได้ถือเป็นตัวอย่างถ้าเราจะทำที่สร้างวัดสร้างที่ปฏิบททัติธรรมถ้าไปซื้อที่ใครแล้วเนี่ยเจ้าของที่จะต้องได้จะได้ร่วมกันเงินที่ขายทั้งหมดเนี่ยเอามาร่วมกันในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั้งหมด ไม่ได้เอาเข้าพกเข้างอเลยเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างเป็นเนติเป็นตัวอย่างให้กับปัชปชัมาชาณาชนอย่างเราเทั้งหลายที่เกิดมาภายหลังอ้าวใครมีที่จะสร้างวัดบางยกมือที่ม <c oughs> ีไหมแล้วก็หาคนหนึ่งไปซื้อซื้อเว็เสร็จก็รวมกันเลยทั้งคนเจ้าของเดิมกับเจ้าของใหม่นี่แหละรวมกันเบ็ดเสร็จก็ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดวารามขึ้ น, นมานี่หลักการคือเป็นอย่างนี้ เริ่มเข้าใจอย่างเนี่ยแล้วจะจบไหมเนี่ยพอเริ่มต้นก็ต้องลากยาวอย่างเงี้ยท <c oughs> จริงเอามามีเรื่องเล่าแบบนิลักษณะอย่างเงี้ยเยอะเนี่ยแต่ก็สรุปประเด็นดีกว่าจะได้เข้าเรื่องพระพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเมื่อก่อนเราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสู้ดัมฤย์อย่างนี้แล้วถ้าอะไรเราควรจะแยกวิตกออกเป็นสองส่วนคือตอนนั้นท่านยังไม่ได้ตัดสู้โนตระสัมมาสัมพทาญาณยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ท่านก็บอกว่าถ้าอะไรท่านจะแยกวิตกออกเป็นสองส่วนส่วนวิตกฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีกับฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็หนึ่การเมวิตก 2. พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตกนี่ฝ่ายดีหรือไม่ดีกามวิตกนี่ดีไหมและส so, uh, uh, AH. ่วนวิตกฝ่ายดีก็คือเนคขมวิตกวิหิงสาอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกอันนี้เป็นวิตกฝ่ายดีไหม ดีไม่ดีทีนี้พระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าวิตกในมีสองส่วนบอกการมวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทภาคเพียรเนี้ยมีจิตใจมุ่งมั่นอยู่อย่างเนี้ยก็บอกว่าเราทราบชัดว่า ก, การมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่เกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยแต่ถามบอกว่าเวลาพ่อ เวลาพยาบาทกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยโดยมากเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกระแสชีวิตหรือเบียดเบียนกระแสชีวิตเอาคําว่ากามวิตกนี้ได้แก่อะไรกามสังกปะหรือกามวิตกเนี่ยก็คือความดํางบีที่เกี่ยวข้องกับกามความคิดไปในทางที่จะแสวงหากามหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการทางภาษาทั้ง5 ต้องการสีสวยๆมาบำเรออะไรบาเรอตาต้องการเสียงเพาะๆมาบำเลออะไรบาเรอหูต้องการกลิ่นหอมๆมาบำเรอจมูกต้องการรสอร่อยๆมาบำเลอลิ้นต้องการผดพ้าที่นิ่มนวลมาบำเรอกายถามว่าอย่างนี้เขาเรียกวิตกอะไรการมาวิตก คำว่าต้องการสีสวยๆเนี่ยสีอะไรที่เราต้องการมากที่สุดถ้ามีบ้านลราอยากบ้านได้บ้านสวยๆไหมอยากได้บ้านสวยๆ ม, มีรถล่ะก็อยากได้รถที่สี ง, งามๆเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์มีบริวารมีญาติมิตรถามว่าถ้าอยากมีคู่ครองอยากได้คู่ครองแบบไหนสวยไม่สวยอยากได้คู่ครองที่ หูก็ไม่มีจะโหม ก, ก็ไม่มีเนี่ยเอาไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกล่มอะไรกลุ่มกาเมวิตกยอมมีไหมวิตกตัวนี้มีไหมตรึกคิดในเรื่องของกามบัคุณเนี่ยบ่อยไหมตอนนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีความดาริอย่างนี้อยู่ไหมมีความตรึกติดข้องในกามอยู่ไหมความติดใจฝ่ายกสันอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะสแสวงหาเอามาบําเรอตอบสนองตาหูจมูกเล่นกายใจมีไม่มี หมดหรื อ, อยังหรือยังมีอยู่วิธีแก้ไขแก้อย่างไงนี่เขาเรียกกลุ่มการมวิตกหรือการมสังกปะเอาพยาบาทวิตกความพยาบาทก็คือความดําหลีที่ประกอบไปได้วยความเครียดความแค้นชิงชังยังมีอยู่ไหมขัดเคืองไม่พอใจคิดเพ่งมองในแง่ร้ายมองคนอื่นเป็นศัตรูมองแล้วเกิดความกระทบกระทั่งขัดอกขัดใจเน่ยนึก เป็นลักษณะโทสะที่ตรงข้ามกับเมตตาเป็นไม่เป็นมีไมมความดั่งีอย่างนี้ยังมีอยู่ไหมหงุดหงิดโกรธง่ายเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายมีไม่มีลักษณะนี้เขาเรียกอะไรพยาบาทวิตกตรึกในเรื่องของพยาบาทคิดมองคนในแง่ร้ายตลอดคือเห็นคนปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีความรู้สึกที่มองคนในแง่ร้ายได้เก่งมากถ้ามีคนเขาบอกว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาดีนะ เราจะมีคิดตรงกันข้ามกับความคิดนั้นไม่เห็นดีเลยดูที่ปากา ก, ก็น่าเกลียดจมูกก็น่าเกลียดหูก็หน้าเกลียดตาก็น่าเกลียดแลยมันจะคิดเห็นความน่าเกลียดได้เยอะและไ ด, ได้ง่ายมากเป็นไหมความคิดแบบนี้เอถ้าเราเห็นคนที่สวยกว่าเราเนะี่ยรู้สึกขัดเคืองไหมถามจริงรู้สึกว่าหุ่นเขาดีกว่าเราเนี่ยขัดเคืองไหมเสียงเขาเพราะกว่าเราขัดเคืองไหมจริงไมจริง ไม่มีความรู้สึกเลยแม้ถ้าไม่มีไอคนเนี้ยฉันคงเด่นที่สุดในที่เนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยความรู้สึกแบบนี้ไม่มีเลยเลยเนี่ยที่มานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งมันเด่นกว่าเราหน่อยแม้แต่คนคนนี้มันกลับไปได้เนี่ยเราจะสบายใจมากๆเลยเป็นไหมอ้าด้ยมากเราจะขัดเครืองเรื่องไหนรูปร่างขัดเครืองไหมเขารูปร่างดีกว่าเราขัดเครืองไหมเขามีตาที่สวยกว่าเราเนี่ขัดเครืองไหม แม้จมูกเขาโอ้โหงามมากด่งสวยแล้วก็เรียวงามด้วยนะไอจมูกเรานี่แฟบติดเลยเนี่ยไหมเผลอ <ocalyptic> ๆไม่ได้โกรธตัวเองพลอยไปโกรธพ่อโกรธแม่ด้วยเพราะแม่นี่แหละทำให้ฉันจมูกไม่สวยโกรธไหมโกรธแม่ไม ยอมว่ามนุษย์ถ้ายกจมูกออกแล้วจะสวยไหมถ้าเอาจมูกออกแล้วจะสวยไหมสวยไม่สวยเพราะอะไรเอาออฟันออกสวยไหมเออเห็นไหมถ้ามันขาดหรือถ้ามันมีเกินก็ไม่สวยเหมือนกันนะนะถ้ามีจมูกเอพระพรหมนี่มีกี่หน้ามีจมูกกี่จมูก ฮะพระพร้อมมีกี่หน้ามีจมูกกี่จมูกมีหูล่ะหูเท่าไหร่แล้วไปตั้งอยู่ตรงไหนบ้างาแปลกดีมีปากกี่ปากแล้วไม่เคยเคิดล้วจะแย่งกันพูดหรือเปล่าแอ้จริงๆในความรู้สึกของเราเรามีความเชื่อไหมว่าพระพรมพมีสี่หน้า เชื่ออย่างนั้นจริงๆริงไหมเอาใครเชื่อยกมือขึ้นเอาใครเชื่อว่ามีหน้าเดียวยกมือขึ้นใครที่ไม่รู้ยกมือขึ้นเนี่ยใครมีความรู้สึกว่าจะ ก, กี่หน้าก็ช่างหัว <laughs> จริงจริงแล้วกี่หน้า พอพูดถึงเรื่องพยาบาทวิตกเนี่ยก็จะถ้าตรงกันข้ามกับพยาบาทวิตกเขาเรียกอะไรอับพยาบาทวิตกแปลว่าอะไรอ่ะไม่พยาบาทตรงกับพยาบาทก็คือเมตตาใช่ไหมเมตตาอยู่ในหนึ่งของพรหมวิหารไหมในพรหมวิหารสี่เนี่ยได้หลักการในวันนี้เราจะพูดในเรื่องนี้ด้วยแล้วพยายามจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยเอามาไม่รู้จะบริหารเวลาได้แค่ไหนนี่นะ เพราะช่วงบายก็จะเป็นเรื่องการสอบอารมณ์เงินเนี่ยลักษณะของพยาบาทวิตกเนี่ยคนที่มีพยาบาทวิตกเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายมากฝนตกก็หงุดหงิดฝนไม่ตกก็หงุดหงิดตกน้อยก็หงุดหงิดตกมากก็หงุดหงิดใบไม้ร่วงก็หงุดหงิดฝุ่นเข้าบ้านก็หงุดหงิดเป็นไหมเรื่องแบบเนี้ยเป็นบ่อยไหมเดินไปเดินมาเตะกระโถนโกรธใครโกรธขาเราเองหรือโกรธกระโถน โกดกถนถ้าอยู่ในบ้านนั้นก็โทษลูกไปวางกัทถนไม่ดีใช่ไหมวางไม่รู้เรื่องรู้ราววางไม่เป็นที่เป็นทางใช่ไหมเราโกรธคนไปทั่วเลยใช่ไหมลักษณะนี้เป็นบ่อยไหมกลับเข้าไปที่บ้านเนี่ยไปเห็นที่โต๊ะทํางานมีคนหยิบหนังสือเราไปไว้อีกที่หนึ่งห ง, งุดห ง, งิดมหมหงุดหงิดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าห ง, งุดหงิดกอ กุมพยาบาททั้งหลายเหล่านี้ยพยาบาทวิตกเนี่ยโดยมากเป็นกันเยอะมากในยุคเนี้นี่ชีวิตจริงของพวกเราเป็นจริงๆเลยนะอย่าลืมนะเนี่ยแค่เนี่ยที่นั่งเนี่ยเอา้าถ้าเราลุกไปแล้วเรามานั่งที่เดิมของเราไม่รู้มีใครไม่รู้เอาเอาอะไรเดียเอาของสกปรกมาวางหยอดเข้าไว้กับที่นั่งอะ่ะเอาเอาของไม่สะอาดเอา อุจจาระมาวางทิ้งเขาไว้หยดหนึ่งพอมาเห็นปั๊บเนี่ยชัยโยดีใจเลยไหมว่าฉันจะได้เช็ดดีใจไหมอ่ะดีใจหรือไม่ดีใจทาไมไม่ดีใจล่ะเราจะได้ทําความสะอาดเข้าไปในห้องที่นอนเรามีใครเอาของไม่สะอาดไปโรยเข้าไว้พอเห็นปั๊บนี่ยิ้มเลยว่าเรื่องหงดหยิด เห็นไหมเนี่ยอาการหงุดหงิดเราจะเจอสิ่งต่างๆมากมายลักษณะนี้คือกลุ่มพยาบาทวิตกอากาศร้อนหงุดหงิดไหมหนาวก็หงุดหงิดเนี่ยเนี่ยแค่มานั่งอย่างเนี้ยนั่งฟังฟังไม่รู้เรื่องหงุดหงิดไหมหงุดหงิดไม่หงุดหงิดฟังรู้เรื่องก็หงุดหงิดนั่งนานก็หงุดหงิดนั่งน้อยก็หงุดหงิดลักษณะนี้กลุ่มพยาบาทวิตกนี่วิตกพระเจ้าก็แยกให้เห็นว่าหนึ่งกามวิตกลองถามนะว่า ใครที่กามาวิตกความคิดในเรื่องของการมาคุณมากยกมือที่วันๆนึงก็คิดอย่เรื่องกินเรื่องเสพเรื่องบริโภคเรื่องการสแสวงหาสีเสียงกินรถโภภพธตภัณมาบวมลมบมเลอตาหูจีบุกเล่นกายเนี่ยใครมีกลุ่มนี้มากยกมือที่อ๋อสงใครมีกลุ่มพยาบาทวิตกเยอะหงุดหงิดง่ายกระทบกระทั่งง่ายเจออะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็หงุดหงิดโกรธบ่นจุกจิกจูก้จี้อมีไหมโอ้ไม่ค่อยมีเลยนะ มีแต่คนดีๆกันทั้งนั้นน่าชื่นใจจริงๆแสดงว่านักปฏิบัติธรรมน่าชื่นใจนะเนี่ยไม่มีงดหงิดเลยเอ้าเดี๋ยวลองให้ทางโยโยดปิดแอร์สักชั่วโมงดีไหมอยากจะรู้ว่าจะมีพยาบาทวิตกหรือเปล่ามีไม่มีมีไม่มีเอยอมรับเสว่ามีถ้าไม่มีอากาศหายใจจะนั่งอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยก็ปล่อยพานั่งอยู่องเดียวนี่แหละน้งว่านหนีหมด อา้าประการต่อมาคือวิหิงสาวิตกเขาแปลว่าอะไรวิหิงสาวิตกนี่ก็คือความดําริในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายตัดรอนแล้วก็ทำลายนะอยากไปกระทบกระทั้งหรือว่าลุกรานผู้อื่นทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยคิดความคิดในแง่นี้เป็นไปในฝ่ายโทสะตรงกันข้ามกับกรูนาแทนที่เราจะกรูนาเขาแต่ไปคิดเบียดเบียนเขาเป็นไม่เป็นอา้าวเห็นคนที่เขากาลังโกรธ นะเห็นคนเขาโกรธเห็นคนเขาทําอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในขณะที่เขาขับรถอย่างเร็วเลยอ่ะเขาโกรธมากเขาหงุดหงิดมากแล้วเขาไม่รู้อะไรเขาขับรถแบบนอนขับเคยเห็นไหมในเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วนอนขับไหมแล้วตีนชี้ขับเนี่ยนอนขับเลยเพอเราเห็นปั๊บนี่เราสาธุเลยไหมแล้วนึกในใไปตายไว้นึกยั้ไง นึกไหมขอให้เขาปลอดภัยแล้วนึกก็เห็นเขาขับรถแบบนี้เราขอให้เขาจงปลอดภัยให้ชีวิตของเขายืน ย, นยาวเขา อ, อย่าไปสบความวิบัติเลยขอให้เขากลับถึงบ้านถึงช่องไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสามีที่ดีของภรรยาเนี่ยเราคิดแบบนี้ไหมพอเห็นป๊อปแบบเนี้ยแเราคิดแบบไหนคิดเบียดเบียนไหมคิดไหมคิดเอาเวลามี นั่งเดินเดินเวลาเดินไปตามถนนมีมอไซค์เฉียวแล้วปุ๊บแบบขับมาใกล้ๆเรา เ, เรามีความารู้สึกยังไงโล่งใจเลยไหมโล่งไหมโล่งไหม ม, มีความารูรม้สึกยังไงกรดไหมคิดให้เขาวิบัติไหมเอาใครเคยคิดให้คนอื่นวิบัติยกมือขึ้นโอ้โหโอ้โหเอาใครเคยคิดให้ฉันวิบัติบางยกมือขึ้น มีไหมไม่มีเลยนะไม่ที่ฉันมาบรรยายมาวันนี้วันที่สามแล้วใช่ไหมเนี่ยเคยหงุดหงิดฉันบ้างไหมถามจริงมีไหมงุดหงิดนะพูดนานนึกเกินนั่งเมื่อยนะเนี่ยมีไหมมีไหมแบบรู้สึกขัดเคืองไม่ค่อยพอใจเราก็จะนั่งสงบสงบพากั็พูดอยู่นั่นแหละ ไอ้เรากำล่าจะจะเห็นลมเข้าออกอยู่แล้วนี่ยยังพูดกระท้งกัลมหลุดไอ้สติก็หลุดจากลมอยู่เลื่ยเลยงดเงียบจะพูดอยู่ได้ไเลยเป็นไหมเป็นไม่เป็นมีไหมสารภาพมาทีไม่มีเลยเรื่อยยิ่งได้ยินเสียงพระยิ่งสบายใจไหมเชิญท่านพูดไปเชิญท่านพูดไปอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมพยาบาทวิต ก, กับวิหิงสาวิตกต่างกันตรงไห น, น ทำท่านนึกไม่ออกอีกอธิบายจนขนาดนี้แล้วพยาบาทวิตกกับวิหิงสาวิตกต่างกันตรงไหนพยาบาทคือโกรธใช่ไหมโกรธแล้วคิดไปทำลายเขาไหมแต่ถ้าวิหิงสาวิตกเนี่ยคิดเบียดเบียนไหมขาดกรุณาเขาถ้าพยาบาทวิต ก, กขาดเมตตาเขาใช่ไหมล่ะสรุปแล้วก็คือนี่แหละวิตกไฟชั่ว ฝ่ายไม่ดีเนี่ยมีอยู่สามวิตกหนึ่งกามาวิตกคิดในเรื่องของกามาคุณสแสวงหาเสาะหากามาคุณมาบำเรออะไรมาบำเรอประสาททั้งห้าประสาททั้งห้าคือมาบำเรอตาหูจมูกเล่นกายเวลาเราได้ดูไอ้ดูละครที่มันชอบใจน่ตอนนั้นชอบใจไหมในขณะที่ชอบใจเป็นอะไรเป็นวิตกอะไร การวิตกคนเปลี่ยนช่องปุ๊บมีคนมากดรีโมดเปลี่ยนช่องปุ๊บไปช่องที่เราไม่ชอบเลยเช่นในช่องที่เขากำลังทะเลาะ ก, กันสมมติเงี้ยตอนนั้นเป็นพยาบาทอะไรเป็นพยาบาทวิตกใช่ไหมเห็นมัน <et> เปลี่ยนง่ายไหมไปไปมาเรากำลังลุ้นหูกำลังชอบใจอยู่ลูกเดินผ่านมาปุ๊บก็มากดรีโมดเปลี่ยนช่องปุ๊บแต่นั้นเป็นอะไรเป็นพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิุตก ฮะโกรธแล้วอยากให้โลกวิบัติไหมเป็นพยาบาทใช่ไหมเป็นพยาบาทวิตกแล้ววิหิงสาวิตกจะเกิดยังไงเวลาสามีเดินออกจากบ้านมีความรู้สึกยังไงไปเลยไปเลยไปแล้วอย่ากลับอย่างงี้ไหมคิดอย่างนี้ไหมคิดอย่างนี้ว่าเห็นไหมไ้กลัวหนึ่งให้สังเกตดูนะว่าการมวิตกเนี่ย ไอความตรึกในเรื่องการทั้งหลายเหล่านี้ในแสวงหาการมาคุณเอามาตอบสนองมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกเล่นกายเนยตัวนี้จะเกิดเวลาได้แล้วจะเกิดความยึดมั่นมากเนี่ยเขาอุปมาทุกตัวโลพาทั้งหลายเหมือนอะไรนะมันเหมือนมันเหมือนไอตัวยอมเคยยอมเคยเอากระทะร้อนๆไปตั้งไฟแล้วเคยเอาเอาเนื้อ เนื้อใส่ในกระทะร้อนๆไหมไอ้เนื้อน้าติดกระทะไหมติดแกะออกยากมากติดออกยากมากๆเลยตัวกามเป็นแบบนั้นแหละเมื่อเราไปติดอะไรแล้วนี่แกะออกยากมากเลยนี่เป็นอย่างงี้นะถ้าพยาบาทวิตกก็คิดประทุษล้ายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายวิหิงสาวิตกก็คิดเบียดเบียนนะคิดทําลายสรุปแล้วเอาใครกามวิตกมีกําลังมากยกมือ ใครพยาบาทวิตกมีกําลังมากใครวิหิงสาวิตกที่มักจะคิดในคนอื่นวิบัติอยู่เลยเล ย, เลยขาดกรุณาสรุปแล้วจริ ง, รงๆให้สังเกตดูนะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่านี้แหละเป็นพยาบาทวิตกเอานี้เป็นกามวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิิงสาวิตกนั้นความดําริหรือแนวคิดแบบนี้เป็นไปนในเรื่องของปกติของคนส่วนมากโดยเฉพาะปุถุชนเนี่ยคนที่มืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ พอได้เห็นได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสแล้วเนี่ยพอถูกใจถูกใจชอบใจก็กลายเป็นกามวิตกถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็เป็นพยาบาทวิตกหรือบางทีก็เป็นวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในะลักษณะอย่างนี้นะและให้สังเกตดูว่าไอ้ตัวกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ามิจฉาสังกับปะกเขาแปลว่าดมริผิดหรือดมรีถูก ดับบีผิดหรือถูกเป็นการดับรีผิดไอ้ดํารีผิดมันมาจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยให้เราดํารีหรือคิดผิดมันมาจากอะไรรู้มหมมันมาจากสัมมาทิฏฐิหรือมาจากมิจฉาทิฏฐิมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือมาจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นผิดนั้นไปเห็นผิดนะเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดพลาดไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง มันทําให้เกิดมิจฉาสังกปะคือดำบลิกคิดนึกแล้วก็มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆแบบผิดพลาดแทนที่จริงเราน่าจะมีทัศนคติในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมมีมุมมองมีข้ อ, ขอคิดทั้งหลายได้ถูกต้องเนี่ยแต่เวลามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันทําให้ทัศนคติของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยผิดพลาด ท, ทันทีเลยเป็นไม่เป็นสรุปแล้วเวลาเรามองต่อบุคคลทั้งหลายเราเนี่ยเราควรมีทัศน์แบบไหน มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดกับมิจฉาสังกปะความดัมเบลีผิดเนี่ยมันจะมากันเป็นแถวสังเกตด้วยนะมันเกื้อกูลกันไอ้สองตัวเนี่ยเมื่อดัมเบลีผิดมันก็มาจากความเห็นผิดด้วยความเห็นผิดนี่แหละมันก็เลยกลายให้เป็นดัมเบลีผิดดัมเบลีไปในกามบ้างได้ดเบลีในพยาบาทบ้างดัมเบในการที่จะเบียดเบียนบ้างเอาพอดัมเบลีไปในกามในความติดใจใฝ่ขสารดัมเบในพยาบาทคือความเครียดความโกรธดัมเบในการเบียดเบียนคิดทำลายเป็นต้นเหล่านี้แล้ว มันจะตามมาด้วยอะไรไอ้วิตกไอ้ตัวดําบิริมันปรุงแต่งอะไรรู้ไหมอ า, อาการดัมบิรนปรุงแต่งอะไรมันปรุงแต่งคำพูดถ้าคนดําบิริผิดเนี่ยมันจะพูดผิดหรือถูกอัาดัดําริไปในความโกรธแล้วเราจะพูดเขาได้ได้เมตตาได้ไหมไม่มีทางเลยเช่นถ้าเราโกรธลูก แล้วจะพูดกับลูกยังไงว่ายังไงพ่อคุณพ่อมหาจำเริญพูดอย่างนี้ได้ไหมได้ป๊บได้ไม่ได้ถ้าเราโกรจสามีเราจะพูดกับสามีแบบไหนพูดแบบหน้านี้วคิ้วขบวดปากสั่นไหมปากสั่นคางย่นใช่ไเห็นไหมว่าถ้ามันดําบลีผิดมันจะเป็นปัจจัยเกิดอะไร การกล่าววาจาผิดหรือถูกการกล่าววาจาก็ผิดเวลากล่าววาจาผิดมันจะเป็นปัจจัยเกินการกระทําผิดหรือถูกก็การกระทําก็ผิดอีกการประกอบอาชีพทั้งหลายที่มาจากการด âm บลีผิดนั้นมันก็กลายเป็นมิจฉาชีวะทันทีนะความเพียนจะผิดหรือถูกความเพียนเนี่ยจะเพียนเพียนผิดหรือเพียนถูกเช่นเพียนในการที่จะไปคุยกับเขาเป็นการเพียนผิดหรือเพียนถูกมันก็เพียนผิด เขาเรียกมิจฉาวายามะเวลาระลึกล่ะก็เป็นมิจฉาสติเวลาจิตเป็นสมาธิเป็นอะไรเป็นสมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิอา้าวยกตัวอย่างมิจเวลาเราโกรธใครแล้วเราจ้องหน้าเขาจิตเป็นสมาธิไหมเป็นสมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิแหมโอ้โหไปเป็นแถวเลยนะไปเป็นแถวเลยเนี่ย สรุปแล้วเราเคยฝึกสมาธิแบบนี้กันมามากฉะนั้นเวลามาเจริญสัมมาสมาธิมันจึงเจริญยากหรือง่ายยากหรือง่ายเพราะมันไปนลงล่องมิจฉาสมาธิเยอะให้สังเกตดูนะว่าบางทีเราอยากได้อะไรเนี่ยเคยไปในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเกิดมันอยากได้จนน้ำลายหยดเคยเห็นไหมเคยเคยเป็นไหม อยากได้มากๆแล้วตาเราก็จ้องจิตเป็นสมาธิไหมโอ้โดีไหมสมาธิแบบนี้ดีไหมไอ้พวกกาลมาวิตกเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาเกิดความกำหนัดยินดีต่อกันนะฝ่ายหญิงก็มองตาชายฝ่ายชายชายก็มองตาฝ่ายหญิงมองกันไปมองกันมาไฟราคะเผาตายเลย เออมีตายเลยนะมีใจขาดตายเลยนะเคยได้ยินข่าวนี้ไหมนี่มีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วนะมองไว้แล้วปล่อยให้ความกำหนัดมันเกิดแล้วก็ปรุงแต่งเป็นกามาวิตกนนะดําริในกามดําริใส่กันอยู่นั่นแหละต่างฝ่ายต่างก็ดําริใส่กันดําริใส่กันเงี้ยตายทั้งคู่ตายทั้งคู่ มีอยู่เรื่องหนึ่งจะเล<ส>่าไอ้ปากนะมีพระไปบิณฑบาตนะท่านท่านท่านก็มาประพฤติปฏิบัติอยู่นะบวชเข้ามาเนี่ยท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ทีนี้ในระหว่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ครูอาจารย์ก็บอกว่าเออเนี่ยท่านยังบวชใหม่ย่าเพิ่งไปบิณฑ บ, บาตเลยนะเดี๋ยวจะเกิดการไม่สํารวมระวังท่านไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวไปมองสิ่งที่ไม่ควรมองไปมองอิทธารมเกลรมที่น่าพชอบใจน่าเพลินใจขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปยึดติดขึ้นมาเดี๋ยวเกิดการ ม, มวิตกเกิดหรือไปมองสิ่งที่ไม่น่าาาาถูกกกกใจจขึ้นม็ะเิิดพยบวต ไปมองแล้วดําดี่ไม่เป็นเดี๋ยวเกิดวิหิงสาวิตกไปคิดเบียดเบียนเขาอย่างนั้นเลยท่านอยู่ในวัดก่อนว่งงางั้นฝึกหัดอบรมจนมีจิตจนเป็นอินทรีอินทรีแก่กล้ามือะไรเดี๋ยวค่อยออกบิณตบาตไปไปมาท่านก็เชื่อฟังแต่พออยู่พอออกพรรษาแล้วท่านก็อยากไปบินตาบาต ท, ท่านก็ไปเลยพอไปเนี่ยผลปรากฏว่าตอนนั้นน่ยท่านก็เดินสำรวมระวังนี่นะมีลูกขาวของเศรษฐีนะอยู่บนหน้าต่าง พอมองเห็นท่านนะท่านเป็นพระที่มีรูปงามมากเนี่ก็เกิดกำหนัดอย่างแรงเลยเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรเป็นเป็นการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกเป็นกามวิตกโหเกิดความรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความจิตผูกพันกับใครขนาดนี้เลยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้พระรูปนี้ศึกมาเป็นสามีฉันคงอยู่ไม่ได้ฉันตายดีกว่ายมเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมในชีวิต มีไม่มีเคยมีกิเลสแรงแรงแบบนี้มีไหมไม่ไม่ใช่หมายกับพ่านะกับคนอื่นอะ่ะมีไม่มีมีไหมประเพ ท, ทีถ้าฉันไม่ได้มาฉันอยู่ไม่ได้ให้ฉันตายดีกว่าเคยเป็นไหมหรือไม่กล้าบอกพระสงสัยเป็นมาแล้วมั่งเนี่ยเห็นหน้าย่นๆกันเป็นแถวเป็นแถวเสิรให้วิตกจินอทํางานหน้าโดยเนี่เนี่ยกามวิตกมันแรงอย่างเนี้ย แรงมากไปไปมาก็เลยเ อ, อพอท่านท่านใส่บาดเออแกผู้หญิงคนนี้มาใส่บาดพอใส่บาดก็มีความรู้สึกโอ้โหไปไปมาก็มาบอกพ่อบอกพ่อเนี่ยถ้าไม่ได้พระรูปนี้มาเป็นสามีเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้ฉันตายดีกว่าเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยพ่อบอกไม่เป็นไรลูกเรารวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปคุยกับท่านพ่อก็ไปเลยไปบอกที่ท่านตื่นกลัมาเนี่ยลูกสาวของเราเนี่ยรักท่านแล้ว ถ้าไม่เกิดไม่ได้ท่านมาเดี๋ยวลูกสาวเราจะตายพวกากันเถอะนั้นท่านมีทุกอย่างท่านไม่ต้องไปบวชให้มันลําบากเรากินอาหารมื้อเดียวก็ลําบากสองมื้อก็ลําบากได้ไหมต้องมาอยู่อย่างอดๆ อ, อยากๆมาอยู่กับเราดีกว่าเป็นต้นพระโอตกใจเลยพระนึกในใจโอ้แต่แตวันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มาบินธบาิอีกแล้วท่านก็ไม่มาอีกเลยเนี่ยเรื่องนึกว่าจะจบมันไม่จบทีเรื่องเนี้ยไปไปมาแต่นี้ก็ผู้หญิงคนนี้พ่อก็บอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วลูกพระท่านปฏิเสธ แบบประเภทตัดยังไม่อะไรอวอร์เลยดูออ ก, กันเถอะผู้หญิงนคนนี้ทุกไหมจากการมาวิตกสลับกับอะไรเ น, นก็น้อยใจน้อยใจว่าเราไม่สวยหรือยังไงเราก็หน้าตาดีคุณสมบัติเพียบพร้อมใช่ไหมตาเราก็สวยจมูกเราก็สวยปากเราก็สวยฟันเราก็สวยมันสวยทุกอย่างทำไมท่านถึงคิดอย่างเนี้ยน้อยใจไหม น้อยใจเป็นอะไรน้อยใจเป็นอะไรเป็นวิตกอะไรจากการมวิตกพัฒนาไปถึงเป็นภาวยาบาตรวิตกก็น้อยใจตรอมใจน้อยใจตรอมใจอยู่งั้นเนะก็บอกพราว่าไม่ได้ไม่ยอมกินอาหารเออตอนสมัยเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยยมเคยประชดพ่อแม่ไหม อยากจะได้ของเล่นพราพ่ อ, พอแม่ไม่ให้ของเล่นแล้วก็โกรธงอนไม่กินข้าวอา้าวใครเคยเป็นยกมือทีนี่กลุ่มพยาบาทวิตกกับกาเมวิตกอะไรเกิดก่อนา ก, กามวิตกเกิดก่อนแล้วก็พัฒนาไปเป็นและเป็นวิหิงสาวิตกไหมคิดน้อยใจน้อยใจไม่พอแล้วไปเห็นว่าเขาให้น้องมากกว่าให้พี่มากกว่าให้น้ามากกว่าก็คิดคิดอะไรคิดเบียดเบียน คิดทำลายคนนึ่นเห็นไหมมันกิเลสนี่พัฒนาตัวไหมกิเลสพัฒนานี่ดีหรือไม่ดีมันจเจริญขึ้นและเราไม่เคยรู้ตัวเลยนะเราอยู่กับกิเลสเหล่านี้ตลอดใช่ไหมกิเลสเหล่านี้เป็นเนื้อเป็นตัวอยังเป็นไม่เป็นนี่เหมือนการผู้หญิงคนนี้ก็น่ะเข้าหน่ะเข้าพ่อก็ไม่รู้จะทํายังไงปลอบโยนแล้วก็ไม่ได้วันที่หนึ่งสองสามสี่พอวันที่เจ็ดเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้ตาย เห็นไหมเนี่ยอะไรทําลายตายการมรรตหรือพยาบาทวิตกทั้งสองส่วนนั่นแหละกิเลสเหล่านี้แหละเข้าไปทําให้ตรอมใจตรอมใจตรอมใจไม่ยอมกินข้าวอาหารตายโอ้พอลูกสาวตายแล้วพ่อก็นึกในใจโอ้เนี่ยอย่างนั้นเลยทําบุญนี่มนพระมาทั้งหมดเลยนี่มนพระมาหมดเลยนะแล้วก็ถวายอาหาร ถวายทุกองค์ที่มาเนีผ้าที่มีเท่าไหร่เพราเป็นคนมีทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าเป็นงความประสงค์แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าถ้าตนเองตายก็ให้อา้าถวายผ้าจีวรถวายแกพระรูปนี้ด้วยเขาก็นี้มนพระมาทั้งหมดเศรษฐีเนี่ยนะแล้วก็ถวายหมดเลยนี่ก็ถามบอกว่า ก็เรื่องนี้ก็ดังๆังทั้งเมืองเลยว่าผู้หญิงเนี่ยไปแอบรักรักพระเนี่ยแล้วแล้วใจขาดตายเนี่ยก็ถวายจีวรแต่พระรูปนี้ไม่ยอมมารับจีวรนะเนพราะท่านก็ไม่รู้ข่าวเหมือนกันว่าผู้หญิงนี่ตายท่านก็ไม่รู้ไปไปมาทางเจ้าพาวก็บอกว่าให้เอาผ้าจีวรเนี่ยถ้าพระรูปไหนไม่มาจะถวายท่านด้วยพระก็เลยรับมาพอมาถึงเวรสร็ก็ไปที่วัดนี่แหละ ก็มาก็เออท่านมี่ทางเจ้าภาพเขาถวายพระพระจีวรมาก็เลยบ่าเออมันงานอะไรบอกเอองานศพเออศพของใครท่านก็ไม่รู้นะบอกเออเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นมาแล้วท่านนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาแอบลักพระรูปหนึ่งไม่รู้พระองค์ไหนไม่มีใครรู้เลยนะไม่ทราบว่าพิกสูรูปนี้เป็นองค์ไหนก็ไม่ทราบว่บางั้นเถอะเนี่ยแอบลากมาแล้วผู้ได้ข่าวว่าพระรูปเนี้ยตอบปฏิเสธ ว่าปฏิเสธผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมศึกออกมาว่างั้นเถอะเธอเลยตอมใจตายเลยว่างั้นดูที่เนี่ยเธอยังอุตส่าห์ฝากนะขนาดจะตายแล้วยังฝากจีวรบอกว่าขอให้ถวายจีวรกับผ้าทุกรูปและผ้ารูปนี้ด้วยว่างั้นพอผ้ารูปนี้รับจีวรอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอะไรเกิดหนึ่งการมัวิตกความรักความติดใจฝ่ายกสานเกิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ทันทีเลย แล้วต่อมาด้วยอะไรพอรรู้ว่าผู้หญิงนั้นตายแล้วตามมาด้วยอะไรพยาบาทวิตกเกิดกโกรธเกิดเครียดวิตกกังวลโหเราทําอะไรไปเนี่ยเราทําอะไรไปเนี่ยโหเธอรักเราขนาดนี้หรืเนี่ยโหเธอรักเราขนาดนี้เน้ะคิดไปคิดมาไม่ยอมกินข้าวกินปลาเหมือนกันพอครบเจ็ดวันเป็นไงต่อก็มลณภาพนี่ เ, นเขาใจะยังวิตก เราอยากจะให้เป็นแบบนี้นไหมเป็นไม่เป็นนี่เห็นไหมพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นมันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นในทางกลับการภาวะที่จิตท่าอย่างนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมไอจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันมาจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาสังขป่าเป็นต้นเป็นไปตามลำดับแล้วมันมีโมหะเป็นตัวปิดบังอยู่ใช่ไหม มีอะไรทำไมมนุษย์จึงดําหลิผิดคิดผิดมันมาจากอโยนิโสมานัสิกาละคือการคิดไม่ถูกทางคิดไม่ถูกวิธีคิดไม่ถูกอุบายคิดไม่เป็นในเวลาคิดไม่เป็นมันจะเป็นปัจจัยเกิดกามมาวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าคิดถูกทางถ้ามีตัวกาลังของโยนิสมนสิกาละเกิดขึ้นอะไรจะตามมา ถ้ามีโยนิสโสมณสิกาละเกิดขึ้นก็จะมีความดํารีที่ปลอดโปร่งเป็นอิสระปราศจากความลำเอียงนะทั้งชอบและชังทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแทนที่จะเป็นปัจจัยแก่มิจฉาสังกปะมันก็เลยกลายเป็นสัมมาสังกปะเป็นการดําริถูกแล้วแต่นี้ในสัมมาสังกปะที่ตรงกันข้ามก็นหนึ่งเนคขมมะสังกปะหรือเนคข ม, มาวิตกเนี่ยคือความดํารีที่ปลอดจากโลภะ ความนึกคิดที่ปลอดโปร่งจากกามไม่หมกมุ่นพัวพันติดข้องในสิ่งที่สนองความอยากความต้องการเป็นความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่จะเสียสละเป็นความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลเนะจัดเป็นความคิดที่ปราศจากราคะไม่มีความกำหนัดขัดเคืองเห็นไหมถ้าหากว่าความคิดที่จะเป็นไปกับโลภามันอยากจะได้ใช่ไหมอยากจะเอาอยากจะมาสนองความต้องการตัเองใช่ไหม แต่ถ้าความคิดที่เป็นเนคขมมะสังปะมันอยากจะอะไรอยากจะสละอยากจะให้อยากจะแบ่งปันเพราะเห็นอะไรดีๆมันอยากให้ไหมเห็นอะไรดีๆมันอยากจะให้เออเวลาเราเห็นเราเห็นพระเนี่ยเรามีความสึกอยากให้ไหมอยากให้หรือไม่อยากให้หรือเราเห็นเพื่อนประพฤติเนคขมมะด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกเนคขมมะอะไรเนี่ยเขาเรียกเนคขมมะไห ม, ะมะ อย่างนี้เขาเรียกบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญอะไรอ่ะอย่างนี้เรียกเนคขมะแปลว่าอะไรเนคขมะแปลว่าอะไรการออกบวชอย่างนี้แปลวบวชกันได้ยังบวชได้ยังเนี่ยบวช ด, ดุ่งขาวห่มขาวไงอยากโกนหัวกันไหมเอาไหมอยากโกนไหม เพราะอะไรเสรดายเลยเอาไว้ทําอะไรผมเอาไว้ทําอะไรเอามีเอาไว้ทํอ า, อ, าทอะไรผมเนี่ยผมเนี่ยดีไหมมีผมดีไม่ดีรู้ไหมเวลาผมมันปักไปที่หนังศีรษะเนี่ยมันไปกินอะไรทําไมมันมันไปกินพวกเลือดหนองทั้งหลายเลยเนี่ยนะพวกทั้งหลไรในน้ำจะมี เหงื่อด้วยหนองด้วยมันคน้นเปลวมันพวกนี้นะมันจะมีเต็มไปหมดมันก็กินผมที่ปักไปในศีสันในแท้ที่จริงมันกินของสะอาดหรือไม่สะอาดเหมือนผักอะไรนะเหมือนผักบุ้งที่ปลูกไว้บนอปลูกไว้บนหลุมส่วมหลุมอุจาราสวงามไหมงามไหมงาม ผักบุ้งก็ได้ผักอะไรได้นะผักตําลึงใคยกินผักตาลึงไหมผักตําลึงถ้าอยากให้งามไปปลูกไว้ใกล้ๆส้วมแล้วมันจะโดดกินอะไรมันจะกินอาหารที่โอชาเนั่ยแหละแล้วลลโอ้โหเวลาเอามาขายนี่ก็โอ้โหรสึก ม, มีมีราคาดีมากให้ผมของคนบางคนเนี่ยโอ้โหดกดำเลยใช่ไหมแสดงว่า มันมีเลือดมีน้ำหนองทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมมีเหงื่อทั้งหลายแล้วก็มีไขมันทั้งหลายเหล่านี้หล่อเลี้ยงโอ้โหมันเลยออกมามันเลยงดงามดูเหมือนงามแต่จริงๆเหม็นไหมที่พูดตรงนี้ให้พูดให้ให้ดูว่าจริงๆคําว่าเนากขม้าเนี่ยก็แปลว่าการออกบวชใช่ไหมศัพท์แปลว่าการออกบวชแต่เนกขม้าอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าการออกจากกามออกจากโลภะออกจากความกําหนัดออกจากความยินดีเพลิดเพลิน ทำไมเราต้องการมาฝึกสมาธิถ้าสมาธิเกิดขึ้นมาเช่นคณิกาสมาธิอุปจาระโดยเฉพาะอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเป็นระดับฌานแล้วเนี่ยไอตัวปฐมฌานเป็นต้นเขาจดัดว่าเป็นเนคขมมะเพราะอะไรเพราะเขาสามารถข่มกามคุณได้ข่มกามฉันทะพยาบาทีนะคบที่วลธรรมได้ฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเนคขมมะนั่นเนคขมมะอย่างหนึ่งเป็นชื่อของพันิพานด้วยนะ เป็นสภาพที่ออกจากกามอย่างสิ้นเชิงเลยแล้ววิปัสนาญาณก็เรียกว่าเนคข ม, มะแม้กุศลทุกประเภทที่น้อมออกจากกามทั้งหลายกุศลเหล่านั้นก็จัดว่าเป็นเนคข ม, มะสรุปแล้วเนคข ม, มะวิตก็คือความตรึกความคิดความดำริในการที่จะออกจากโลพะกลุ่มเนคข ม, มะมากๆจะไม่มีใจจิตจิตใจจะไม่ติดใจฝ่ายะสันอะไรเยอะมีของก็อยากจะสละเช่นมีเสื้อผ้า ก็อยากจะสละอยากจะแบ่งปันใช็นไหมมีที่อยู่ก็อยากจะสละอยากจะแบ่งปันมีอาหารก็อยากจะสละอยากจะแบ่งปันมีของกินของใช้ของบริโภคทั้งหลายก็อยากจะสละอยากจะแบ่งปันไอความดําริอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรถ้าดําริลลที่ต้องการสีเสียงกลิ่นรสผดผลาบมาบาเรอตอบสนองตาหูจมูกเล่นกายนี้เป็นกามวิตก ถ้าดำริที่ต้องการอยากจะให้อยากจะสละอยากจะแบ่งปันมีสีก็อยากจะให้สีได้มีเสียงก็อยากจะให้เสียงเป็นทานมีกลิ่นก็อยากจะให้กลิ่นเป็นทานมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็อยากจะให้รสเป็นทานมีผลิภัเย็นร้อนดีๆก็อยากจะสละผลพตภัณ์นั้นเป็นทานลักษณะอย่างนี้เป็นเนคขมมะพวกเรามีเนคขมกับกามวิตกกับพยาบะกับเนขมวิตกอันไหนมากกว่ากันเอาระวางกามวิตกกับ เนคคำม a w ตกอันไหนมากกว่ากันถามจริงๆคิดจะเอากับคิดจะให้เนี่ยไหนมากกว่ากันถ้ามีเพชรอยากจะเอาเพชรมาครอบครองดแูแลหรืออยากจะสละเพชรอันไหนมากกว่ากันจริงเนี่ใครเคยเอาเพชรบูชาพระพุทธเจ้าบ้าง บูชาทำเป็นที่ยอดเยี่ยมโอ้โ ห, นะหน้าโมทนาในเยี่ยมเนะีโอมีลายหนึ่งสองลายเอาบูชาทำเป็นยอดเจดีใช่ไหมเรียบูชาพระทีเจ้าเคยไหมระหว่างเอาไปบูชาเอาไปสละบูชาพระทีเจ้ากับที่เก็บไว้ไหนมากกว่ากันนั่นนันี่นนน<笑><笑> เ, นเออยังมีเนคคัมมะบ้างนะก็คือจิตที่จะสละจะให้จะแบ่งปันนี่ก็กลุ่มเนคคมะ คือเห็นไหมเน่คขม้ารจริงๆเป็นการสละอะไรกันแน่มันเป็นการสละวัตถุหรือสละกิเลสไอตัวกิเลสนั่นแหละถูกสละไอะ้ที่มันสละยากที่สุดก็คือกิเลสใช่ไหมเออบางคนเนะี่ยไม่รู้พวกเราเป็นหรือเปล่าบางคนมีหมอนตุ ก, กตาเก่าๆดำๆแล้วก็เอานอนกอดอยู่นั่นแหละ ทั้งๆ ท, ที่ให้ใครก็ไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยแต่ราคาอะความกําหนัดไอ้พวกกลุ่มกามวิตกมันมันเยอะโอ้โหเวลาจะนอนแต่ละทีก็เอาไปเลียงเขาไว้เดี๋ยวนี้มีขายเต็มไปหมดเลยสังเกตดุไหมกลุ่มหลอกล่อ ก, กามอวิตกเยอะมากในโลกใบนี้เยอะจริงๆเต็มไปหมดนะไหยนั่งรถไปเราจะเห็นสารพัดนะทําสีแปลกๆมีเสียงร้องด้วยมีกลิ่นดีอะไรก็ว่ากันไปเฮอเดียนี้ แต่พอมาอยู่กับเราไม่รู้กินใครก็ไม่รู้พวกเ <war> พลินน โ, โอ้ <c oughs> เคยเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> เด็กเด็กเดี๋ยวนี้เราก็จะเป็นล่ะต้อง <c oughs> ไปเจอคนเด็กเด็กๆเนี่ยเราเวลาให้สังเกตตัว น, นะเวลาเด็กเด็กเล็ก เ, กเนี่ยเราเมื่อเกิดมาใหม่ๆหม่เาเล่นอะไรนะเด็กเด็กเกิดคลอดมาใหม่ๆเนี่ยเล่นอุจจาระปัสสาวะขยําใหญ่เล่นใหญ่จะเคยไหมพวกเราเคยไหม จับใส่ปากกินเคี้ยวอร่อยอร่อยเคยไหมเด็กเล็กๆกันนะนี่เห็นไยมนี่กินกลุมกาหมาวิตกอยากเล่นพอโตขึ้นมาหน่อยก็ปลาตะเพียนมอแขวนก็ไว้เป็นอะไรนะเป็นของเล่นแขวนเ้าไว้มันก็เล่นใหญ่เด็กคนนี้นะเล่นล้องกิ๊กแก๊กแกลกเล่นพอโตขึ้นมาหน่อยมันมาเล่นรถเล็กๆนะเล่นรถเล็กๆของเล่นเล็กๆอะไรต่างๆแลนี่โอ้โหเล่นกันใหญ่เป็นรถบ้างเป็นเครื่องบินบ้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆเล่น พอโตขึ้นมาหน่อยก็มาเล่นแต่งแหล่งตุแต่งตัวกันแล้วอะตอนเนี้ตอนนี้ของเล่นของเราคืมีอะไรให้กลับไปเล่นอุจจาระปัสาวะเล่นไหวไหมตอนเนี้ยเล่นปาดาเพียนเล่นรถเล็กๆไถเล็กๆของเล็กๆน้อยๆเล่นได้ไหมเล่นแต่งตัวเขาจะไม่ค่อยสนุกเลยนะถ้าอายุแก่ๆแล้วลนะแต่เชื่อไหมพอแก่ตัวไปอีกหน่อย พอหลงลืมมาเดี๋ยลูกก็เอาปาทะเพียนมาแขวนแขวนนเล่นเอามาไปเจออยู่ลายหนึ่งเออพ่อหลงหลงหลงแล้วยังจะทําไงดียพยาบาลก็เลยเอาเอาปาตาเพียนเอาแขวนไว้แกก็เล่นปาทะเพียนโหน่าสลดใจมากทุกที่เนี่ยมันย้อนกลับมาอย่างเงี้ยนี่ชายกามาวิตกไหมเนี่ยกามาวิตกเป็นต้นเหล่านี้ยฉะนั้นเนคขมมาวิตกเนี่ยก็คือการคิดการดำริ เอาสังเกดตดูที่ระหว่างกามวิตกกับเนคขมาวิตกเนี่ยเราควรเจริญอะไรถ้าเวลาใดไม่มีเนคขมาวิตกเวลานั้นก็ต้องเป็นกามวิตกเห็นไหมเวลาใดมีเนคขมาวิตกเวลานั้นก็ไม่มีกามวิตกสรุปแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราจะให้วิตกประเภทไหนเกิดขึ้นก็เลือกเอาก็เลือกเอา ไม่มีกลางกลางไม่เนคขมมะก็การมาวิตกนี่นี่คู่หนึ่งอภระการต่อมาคืออัพยาบาทวิตกแปลว่าอะไรพยาบาทวิตกแปลว่าอะไรนะความดำริความตรึกหรือความคิดในเรื่องของพยาบาทโกรธหงุดหงิดง่ายกระทบนั้นกระทบนี้กระทั่งนี้ง่ายถ้าอพยาบาทนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไร ก็คือความดาริที่ไม่มีความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองเพ่งมองในแง่ร้ายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมะที่ตรงกันข้ามกันในที่นี้ก็หมายถึงเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาแปลว่าอะไรอ่ะยังไม่รู้จากเมตตาพวกเร า, เร า, เรานี่ยเมตตาแปลว่าเมตตาก็แปลว่าไมตรีไง แปล ว, ว่ามิตรไงมิตรตาเนี่ยจะเป็นคุณธรรมของมิตรเมตตาก็ปแปลวความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอทรนมีไหมพวกเรามีเมตตากันไหมเออคิดให้เมตตาเกิดยากไหมเอาลองช่วยกันคิดหน่อยทีเอาลองมองมองมาที่พระแล้วลองแผ่เมตตาให้พระเดินให้มันออกจริงๆนะ เมตตาหน้าตาเศร้าซร้อยเงาหงอยได้ไหมคิดยังไงเอาคิดไงคิดยังไงให้เมตตาเกิดคิดเคยวันนี้คิดหรื อ, อยังคิดเมตตาให้กับพระหรื อ, อยังคิดหรื อ, อยังต้องให้พระทวงทุกวันเลยคิดหรื อ, อยังคิดกี่ครั้งอย่าเสียดายเมตาา ต, มตาอย่าหนีเมตตาอย่าหวงเมตตา นะคิดให้เมตตาเกิดให้มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนนะคิดให้มันออกจริงๆนะคิดหรื อ, อยังคิดว่าขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแล้วอะไรอีก <c oughs> หรือหรือคิดไม่ออกไม่เคยคิด <c oughs> เห็นไหมเนี่ย เราไม่ไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ตั้งนานแล้วมันเลยคิดไม่เป็นนั้นเมตตาเนี่ยมันต้องต้องตั้งไว้ในใจก่อนเอามานั่งแท่นในใจเขาเรียกว่าเป็นธรรมะอันประเสริฐคุณธรรมอันประเสริฐใช่หมที่ควรเอามากำกับไว้ที่ใจเอามากำกับไว้ที่ใจถามว่าเมื่อกำกับไว้ที่ใจเนี่ยกับไว้กำกับไว้เพื่ออะไรกับกำกับไว้ที่ใจเพื่ออะไร เพื่ออะไรเขาเรียกว่าธรรมะเ้าเรียกธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมะประจำใจอันประเสริฐหลักความประพฤติ ท, ที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจเอาไว้กำกับความประพฤติถ้าไม่มีธรรมะเหล่านี้กำกับไว้ที่ใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะคอยกำกับความประพฤติของเราให้เป็นไปในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นได้ เมตตาก็แปลความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีใจแผ่ไมตรีคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าคิดไหมแบบเนี้ยเนี่ยลักษณะงี้เ็าเรียกว่าเอาพยาบาทวิตกความคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนคิดพยาคิดไม่พยาบาทในนั้นก็คือคิดเมตตายากไหมเมตตาคิดยากไหมเอาใครเจริญเมตตายากบ้างอะ่ะ ถ้าเราเราเราเคยไม่ชอบขี้หน้าใครไหมลองลองตอนนี้ลองนั่งเราคิดถึงคนนั้นดูที่ยังชอบอยู่ไหมหรือยังกโกรธอยู่ไหมเอาลองนึกถึงดูนะที่คนที่เขาเคยประทุษส้ายเราเบียดเบียนเรารัา ง, างแกเราทำร้ายเราเนี่ยลองคิดไปด้วยคิดไปแล้วใจยังใจพร้อมที่จะเมตตาเขาไหมเมตตาไม่เมตต า, ตาอ้าวเคยใครเคยถูกป ถูกต่อว่าหรือมีคนที่เราไม่ชอบเลยอ่ะมีบ้างไหมในโลกใบนี้มีไหมเยอะไหมคนที่เราไม่ชอบมีเยอะไหมอ่ะลองคิดไปหาเขาดูทีคิดแล้วเป็นยังไงโกรธไหมรักเขาได้หรือยังรักเราไหมเรารักตัวเองไหมรักไม่รักรักมากไหมเรารักสุขไหมเกลียดทุกข์ไหม เราคิดว่าคนที่เราไม่ชอบเขารักสูขเกียติทุกข์ไหมเอ๊ะทําไมเราถึงไม่ชอบเขาเห็นไหมจริงๆตรงนี้ถ้าเราคิดไปหาคนที่เราไม่ชอบเนี่ยมันรู้สึกใจมันจะต้านกันดีฉะนั้นกรณีคําว่าอัพยาบาทสังกบป่นี่ก็คือความอัพยาบาศิตก็คือความดําริที่ไม่มีความเครียดแค้นริงชังทั้งหลายเป็นต้นประการต่อมาคืออวิหิงสาสังกบป่ก็คือความดําริ ที่ไม่มีการเบียดเบียนความคิดไม่คิดทําร้ายไม่คิดทําลายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมะที่ตรงกันข้ามก็คิดกรุณาเขาการุณาเนี่ยคือคิดขวนขวายในการที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นะเห็นคนอื่นเขาประทุดสลายหรือเขาเขาทำที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยใจที่น้อมในการที่จะกรุณาคนอื่นสรุปแล้วตรงนี้ก็คือว่าโอ้โหในสูตรนี้จริงๆสรุปก็คือว่า ฉะนั้นวิตกมีสองกลุ่มนะหนึ่งการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่กลุ่มดีหรือไม่ดีสองเนคขมวิตกอพยาบาตวิตกอวิหิงสาวิตกเนคขมวิตกคือการคิดจะให้สละแบ่งปันอัพยาบาทคือคิดเรื่องเมตตาอวิหิงสาก็คือคิดกรุณาปรารถนาช่วยข้นขวายเขาพ้นจากทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่า เรานั้นทราบชัดว่าการมวิตกความดัมเบในการมพยาบาทวิตกความดัมเบในความพยาบาทวิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียนเนี่ยได้เกิดขึ้นแก่เราแต่กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นนั้นเน่ยเวลามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่เบียดเบียนคนอื่น หรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมสรุปแล้วนั้นเวลาการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นให้ดําเิตทันทีว่าหนึ่งเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนสองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นสามเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเขาขัดขวางปัญญาไหมขัดขวางหรือไม่ขัดขวางขัดขวางปัญญาด้วยทาให้ลาบากหรือทาให้เป็นสุขทาให้ลาบาก เป็นไปเพื่อพระนิพพานหรือเปล่าไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพา น, นสรุปได้ประเด็นนี้ยังหนึ่งถ้าการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิตกเหล่านี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างสองเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างสาบเบียดเบียนทั้งตนและคนอื่นบ้างประการต่อมาขัดขวางปัญญาหรือไม่ขัดขวางปัญญาขัดขวางปัญญาทำให้ลาบากหรือทาให้สุข ทำให้ลำบากเป็นไปเพื่อพันิพาณไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพานพอพระพุทธเจ้าพิจิรอย่างนั้นน่ะพอพิจารณาลองสังเกตดูทีถ้าเราเกิดความคิดติดใจฝ่ายขสัรเกิดพยาบาทหงุดหงิดหรือเกิดคิดทําลายคนอื่นปุ๊บถ้าคิดเฮ้ยพยาบาทนี่เป็นพวกวิตกฝ่ายเสียทั้งหลายนั่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างเป็นไปต้องเบียดเบียนตนและคนอื่น มันขัดขวางปัญญานะทำให้ลำบากไม่ได้เป็นไปเพื่อพันิพาลเลยคิดอย่างนี้ปุ๊บวิตกจะหายหรือไม่หายตาไวิตกหายไหมยพยาบาทวิหิงสาหายไม่หายจะหยุดได้ไหมนะถ้าคิดลักษณะอย่างนี้นะก็หมดสิ้นไปตรงนี้พระพุทธเจ้ า, าบอกภิกษุนะยิ่งตรึกตรองวิตกใดมากๆเธอก็มีใจน้อมไปนิวิตกนั้นมากเห็นไหม สรุปแล้วคือว่าพระพุทธเจ้าต้องการสรุปให้ว่าถ้าเราคิดถึงวิตกใดมากไอ้วิตกนั้นก็จะเกิดมากแล้วก็จะมีกาลังมากถ่าน้อมไปในกามวิตกมากกามวิตกก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีกำลังมากขึ้นใช่ไหมแปลว่าเรากำลังให้กำลังเขาไหมให้ไม่ให้เอาใครอยากมีกามวิตกมากๆยกมือขึ้นดิ ใครอยากมีพยาบาทเยอะเยอะยกมือขึ้นทีจะจะแนะนำให้เอาไหมล่ะเช่นถ้าคิดพยาบาทเนี่ยวิธีคิดนะพอเห็นหน้าใครปร๊อกก็แต่งตัวใช้ไม่ได้แย่จริงๆดูสิดูมันทำหน้าทีดูมันทำหน้าเนี่ยดูนั่งทีเนี่ยนั่งหน้าเกลียดจริงๆยคิดไปเรื่อยๆนะอ้ามาจะคิดดูนะถ้ามาเนี่ ย, าาา น, ยนึกถึงพวกเราเนี่ย ถ้ามาจะคิดให้พยาบาทวิตกเกิดเนี่ยโอ้โหคิดได้เยอะไหมเอ๊ะทําไมนั่งแบบเนี้โดยที่นั่งตัวงอ ง, งอ ง, งอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเนี่ยคือสามารถที่จะคิดเออนั่งเหมือนคนขาดทุนนี่นั่งเอ๊ะไปผิดหวังอะไรมาหรือเปล่ามันนั่งอย่างงี้คิดไปเรื่อยอย่างนี้พยาบาทเกิดไหมคิดในทางที่ไม่ดีอะ งนั้นถ้าหากเราตรึกถึงกามวิตกมากคิดในเรื่องกามมากปรุงแต่งกามมากกามวิตกก็จะมีกําลังปรุงแต่งพยาบาทวิตกมากพยาบาทวิตกก็มีกําลังปรุงแต่งวิหิงสาวิตกมากวิหิงสาวิตกก็จะมีกําลังนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นะสรุปแล้วว่าวิตกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการดําเบลใช่ไหมดําริผิดหรือดําเบถูกดังนั้นเนือดัมเบบ่อยๆดําริเรื่องอะไรวิตกเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นนี่เป็นไปลักษณะนี้ใครเป็นกลุ่มคิดมากนะยกมือทีเป็นคนคิดเยอะจริงๆอ่ะนี่กลุ่มวิตก อา้าใครกามวิตกเยอะใครพยาบาทวิตกเยอะโอ้โหทำไมเอาหลายหรือตัวจั ง, งเอาวิหิงสาวิตกพวกคิดเบียดเบียนเนี่ยเป็นไมเออหลายตัวจังสรุปแล้วจะเวลาคิดไปมันมันเพลินหรือไงเวลาคิดกกรดคนอื่นเพลินไหมรู้สึกมันดีไหมคือเราทำอะไรเขาก็ไม่ได้ใช่ไหม ทำอะไรเขก็ไม่ได้จะไปฆ่าเขาก็ผิดกฎหมายจะไปทุบไปตีเขาไปอะไรเขาก็ไม่ได้สู้อยู่ในห้องคนเดียวคิดเองดีกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเราอย่างงี้ไหมแล้วก็คิดปุงต่งจิตใหญจเลยตอเนี้ปรุงแต่งบางคนคิดจนเนเหงื่อออกเต็มมือเลยเคยเป็นไหมโอ้โหปอมเอามือออกมานี่โหในมือนี่มีเหงื่อเต็มหมดยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเอ ง, เองมีวิตกกอจพวกกามาวิตกมีกำลังวิาบาทยาวิตกมีกําลังเป็นต้น พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าจิตน้อมไปในการวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตตกมากไอ้วิตกประเภทนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในสาระการท้ายฤดูฝน<ไ>ตอนท้ายฤดูฝนเขาเรียกว่าในสาระกาลสาระการก็คือว่าในการท้ายฤดูฝนคนเลี้ยงโค คอยระวังโคในที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเวลาคนเขาเลี้ยงโคเนี่ยเขาต้องคอยระวังไหมโคเลี้ยงโคเนี่ยเขาก็ต้องใช้ไม้ตีต้อนโคไปจากที่นั้นๆคอยกั้นไว้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเขาต้องคอยกั้นไม่โคลงไปกินข้าวไปเหยียบข้าวชาวบ้านเมื่อเขาเลี้ยงโคเยอะเนี่ยทาไมเขาต้องคอยใช้ไม้คอยตีคอยกั้น เขากลัวอะไรหนึ่งเขาเห็นการฆ่าเห็นการจองจำเสียทรัพย์ถูกตีเตียนเพราะการกินข้าวนั้นเป็นเหตุแม้ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็บอกเราก็ฉันนั้นเห็นโทษเห็นความเลวทรามเห็นความเศร้าหมองของอกุศลเห็นโทษเห็นความเศร้าหมองของกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและเห็นอนิสงการออกจากกามว่าเป็นฝ่ายผ่องแผ้วของกุศล นี่พอมองเห็นอย่างว่าเออเราเราเห็นไหมแต่เราเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้ายกออกมาบอกว่าคนที่เขาเลี้ยงโคล์เายังต้องคอยต้อนโคใช่ไหมไม่โคไปกินข้าวแล้วเราละ่ะเห็นโทษไหมเห็นโทษไหมถ้าปล่อยให้การมวิตอกมันเกิดขึ้นในชีวิตเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย แล้วก็ขัดขวางปัญญาด้วยทําให้ประสบความทุกข์ด้วยไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานมันเห็นโทษตรงนี้ไงเราเห็นไหมละ่ะงั้นถ้าปล่อยให้การมวิตตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในกระแสชีวิตมากๆวิตกเหล่านี้มันจะพาเราไปสบสุขหรือทุกข์ก็ไปพาเราประสบความทุกข์เนี่ยก็เหมือนนายโคเนี่ยนายโคบานคนที่เลี้ยงโคทั้งหลายเนี่ยเขาคอยต้อนโคนะเขาคอยต้อนโคเขารู้ว่าถ้าปล่อยโคไปกินข้าวก้าชาวบ้านเนี่ย ต้องโดนฆ่าบ้างโดนจองจําบ้างต้องเสียทรัพย์บ้างถูกตําหนิบ้างถูกตีเตียนโดนด่าบ้างเพเผอก็เนี่ยโดนติดคุกนั่นแหละเช่นไล่โคเป็นยร้อยตัวไปกินข้าวเขาเนี่ยโอ้เข้ฟ้องเสียหายหมดแหละชันใดพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละพระเจ้าเห็นโทษของพวกกลุ่มการมาวิตกทั้งหลายเป็นต้นอภิการต่อมาก็คือการมาวิตกย่อมเกิดขึ้นแกเราผู้ไม่ประมาทภาคเพียงมีจิตมุ่งมั่นอยู่อย่างนี้เรานั้นทราบชัด ต่อมาพระพุทธเจ้าทราบชัดอะไรเนกข ม, ม ว, กาาวิตกอภิบาตวิตกเอาหิ้งสาวิตกเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เนกขมวิตกอภิาบาตแล้ ว, วหิ้งสาวิตกเนี่ยถามว่าเวลาเนกข ม, มวิตกเกิดขึ้นเมตตาเกิดขึ้นหรือกรุณาเกิดขึ้นเนี่ยเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนเบียดเบียนตนไหมเวลาเจริญเมตตาเนี่เบียดเบียนตัวเองไห้ยอมเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมสรุปแล้วก็คือว่าเวลาเนกข ม, มวิตก เมตตาอพยยบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยเวะลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายพัฒนาปัญญาหรือขวางปัญญาพัฒนาปัญญาทําให้ลำบากหรือไม่ทําให้ลำบากไม่ทําให้ลำบากเป็นไปเพื่อพระนิพพานหรือไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อพระนิพพานควรเจริญไหล่ะ ควรเจริญเนคขมาไหมเนคขมะวิตกควรเจริญเมตตาไหมควรเจริญกุามไหมเพราะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายพัฒนาปัญญาไม่เป็นไปเพื่อความลําบากแต่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์น่าสอนไหมแต่เนี้ยความคิดทีนี้ การคิดในเนคข ม, ม่าวิตกนะ่ะคิดให้เกิดเนคข ม, มานะ้าในยิ่งคิดมากๆเป็นผลดีหรือผลเสียอ่าเป็นอันตรายไหมคิดในเรื่องของเนคข ม, มา้าคิดที่จะให้จะสละจะแบ่งปันอ่าไอ้อันนี่นี่ยาเนะ่ยนี่ยาเห็นไหมเห็นยาไหมอันนี้เขาเรียกน้ํามันน้ํามันนวดเนี่เนี่ย ใช้ดมได้ด้วยเอ่อเวลาเราจะให้จะคิดให้เป็นเนคข ม, ม้วิตกคิดยังไงเนี่ยถ้ามีชิ้นเนี้ยคิดยังไงเอา้าคิดยังไงถึงจะเป็นเนคข ม, ม้าวิตกถ้ามีของอย่างนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ยคิดยังไงคิดเป็นไหมคิดให้เป็นเนคข ม, ม, ม้าไหมให้อะไรมีสีไหมเนี่ยให้สีเป็นทานได้ ไ, ดไหมได้ไม่ได้ มีเสียงไหมมีหรือไม่มีโอเอาดอมมาเอาผสมน้ำดื่มไปทำให้เสียงใสไดไหมมีกลิ่นไหมให้กลิ่นก็ได้มีรสชาติไหมมีรสชาติด้วยแล้วพอทาตามตัวแล้วเนี่ยให้ความเย็นให้ความบอบอุ่นไหมแล้ว เ, เขามีตัววิตามินไหมในเนี้ยมีกลุ่มวิตามินที่ช่วย เช่นคนปวดท้องเขาาหยอะใส่ใส่น้ำดื่มกินแล้วแก้ปวดท้องได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยถ้าคิดแบบเน่คํมม้าก็แปลว่าอะไรก็คิดสละใช่มถ้าคิดแบบกามวิตกก็โอ้โหสีก็สวยเสียงใช่ไหมกินแล้วก็ทำให้เสียงดีกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสัมผัสก็นิ่มเออเราต้องการได้สิ่งเหล่านี้มาตอบสนองมาบมเรอเรา เราจะไม่ให้ใครนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรวิตกอะไรแบบเดินเนี้ยการม่วิตกแต่บอกเอาละสีสวยเราจะให้สีเป็นทานเสียงทําให้เสียงดีเราก็จะให้เสียงเป็นทานกลิ่นดีเราก็จะให้กลิ่นเป็นทานรสชาติดีเราก็จะให้รสชาติเป็นทานให้โธพธาพะนวดแล้วทําให้มีกําลังเราจะให้โพธาพาเป็นทานกิน เอาไปบริโภคแล้วจะทําให้สุขภาพดีไม่ปวดท้องเป็นต้นนี้เราจะให้ทำมาร ม, รมปิทานลักษณะนี้เป็นอะไรคิดแบบนี้เป็นการคิดที่จะสละจะให้นี้เป็นเนคขมมาวิตกเข้าใจยังงั้นการมาวิตกกับเนคขมมาวิตกงั้นการคิดที่จะสละจะให้แบบนี้คิดทั้งวันมีโทษหรือไม่มีโทษแต่ถ้าการมาวิตกเนี่ยคิดแล้วมีโทษหรือไม่มีโทษเอาละแล้วเราจะคิดประเภทไหน สำคัญเราไม่ก้อยคิดแพอเห็นปั๊บก็ทื่อๆเงี้ยเขาไปเนี่ยพอนะเห็นปั๊บเนี่ยเออเนี่ยเอาไปให้ทานที่งั้นเลยไม่คิดอะไรเลยเอาเขาให้ไปให้ทานก็ไปก็เอาวัตถุไปให้เขาตูมแต่เนคขม่ากเกิดไหมกิเลสได้ถูกสละออกไหมไม่ถูกฉะนั้นเวลาสละจริงๆวัตถุสละต้องสละอะไรด้วย ต้องสละความโลภที่ไปยินดีในสีความโลภที่ไปยินดีในเสียงความโลภที่ไปยินดีในกลิ่นความโลภที่ไปยินดีในรสความโลภที่ไปยินดีในโพธพะความโลภที่ไปยินดีในวิตามินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเขยิอยังหรือสัดส่วนมันสวยดีเป็นต้นการสละได้อย่างนี้เป็นการดับริแล้วละกิเลสได้อย่างนี้เป็น เป็นอะไรเป็นเนกขมมะทีนี้ในขณะที่ให้เนี่ยจะดำริให้เป็นกามวิตเป็นอพ ย, อพยาบาทวิตกได้ไหมได้ไม่ได้ทำยังไงต่อก็เรารักเราปรารถนาดีเราเอื้อทอนไงเราจึงเอาไปให้เข้มใหปรารถนาให้เขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีคิดอย่างนี้เป็นอะไรเป็นอพยาบาทไหมและเราคิดเบียดเบียนเขาไหม คิดจะเกื้อกูลเขากรุณาเขาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเป็นอวิหิงสาด้วยนี่ไงมันออกมาแบบนี้เห็นไหมถ้านั่งแท่นในใจอย่างเดียวเนี่ยเป็นคุณธรรมของเมตตากรุณาเป็นต้นหรือเนคขม่เกิดในใจอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีการปฏิบัติการออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักของสังคหะคือการส่งคล้อยการช่วยเหลือการแบ่งปันเมตตามันออกมากรุณามันออกมาได้จริงอย่างนี้เป็นต้นพอมองเห็นนีอยังยากไหมเนี่ย กลันออกมาเป็นปฏิบัตินี่ยากไหมทำกันได้หรื อ, อยังต้องเอาไปฝึกไหมถึงจะเป็นถ้าไม่ฝึกไม่ได้ยิ่งคนที่ทำงานด้านการกลุ่มสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายเราเนี่ยนะต้องมีพวกเช่นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุอ่ะใครใครอยู่ในชมรมผู้สูงอายุยกมือทีเนี่ยกลุ่มนี้เอ๊ะทำไมเขาเรียกสูงอายุแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าอะไร ฟังเพร้อมไหมคำว่าชมลมผู้สูงอายุพร้อมไหมถ้าบอกว่าชมลมคนแก่นี้น่าฟังไหมใช่ไหมเราที่จริงอันเดียวกันไหมเนี่ยชมลมผู้สูงอายุกับชมลมคนแก่นี่อันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมนั่นแหละแต่พอแหมพอภาษาเนี่ยนะพอเรียกให้อีกคำหนึ่งรู้สึกมันชื่นใจเขาเอาอายุเท่าไหร่ ย, ยอมเขเรียกว่าชมลมสูงอายุเนี่ยเอาตั้งแต่เท่าไหร่เข้าไปหกสิบห้าเลย ฮะเท่าไรนะออห้าสิบห้าเลยนัวไม่อยากเข้าชมรมนี่เลยเขาคงไม่เอาพระไปเข้าร่วมชมรมเนะเอาใครกลัวความแก่บังยกมือดิกลัวไหมกลัวความแก่ใครไม่กลัวยกมือดิอ๋อไม่กลัวเลยเลย เพราะอะไรเพราะมันแก่อยู่แล้วแก่กับเจ็บนี่กลัวอะไรมากกว่ากันตายอะแก่เจ็บตายอะกลัวอะไรมากอะแค่กลัวตายมากยกมือใครกลัวเจ็บโอ้โหกลัวเจ็บใครกลัวแก่ เอาใครกลัวเกิดบ้างยกมือที่สรุปแล้วกลัวอะไรกันแน่เนี่ยเข้าใจไหมว่าเกิดแก่เจ็บและตายมันอันเดียวกันนึงอันเดียวกันนึงเกิดไอ้ความแก่มันก็ติดมากับความเกิดความเจ็บเจ็บมันก็ติดมาความเกิดและตายมันก็เพราะไอ้เกิดนี่แหละมันอันเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นบางคนชอบ เกิดแต่ไม่ชอบแก่ไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายบางคนชอบไม่ชอบแก่ไม่ชอบเจ็บไม่ชอบตายแต่ชอบเกิดเนี่ยเพราะความที่ยังเข้าใจผิดแท้จริงมันอันเดียวกันไหมอันเดียวกันนยทีนี้บางคนบอกฉันไม่อยากเกิดแล้วแต่ไปดูวันหนึ่งไม่เคยทำอะไรเลยอยู่อยู่งั้นแหละทาทาอะไรเนี่ยไม่อยากเกิดเพเบื่อเหลือเกินท่าน โลกว้นี้น่าเบื่อแล้วยอมทำอะไรดูโทรทัศน์ทุกวันเ <laughs> <laughs> นี่ยไอประหลาดอย่างนี้เคยเห็นเยอะไหมไม่ได้เคยฝึกฝนพัฒนาไม่เคยศึกษาพระธรรมที่จะฝึกฝนทำตนเองใพ้พะอยากทุกข์หรอกแต่เบื่อบอกเ้ยเบื่ อ, เ, อเกิดไม่ดีไม่ดีว่างมันเหมือนบอกว่าเหมือนคนบางคนว่าเอ้ยฉันอยากจะไปเชียงใหม่พรางั้นอยากจะไปอยู่เชียงใหม่ แต่ไม่เคยไปแล้วก็อยู่แม่แม่อยู่กรุงเทพอยู่นี่แหละไม่เคยศึกษาเส้นทางไม่เคยศึกษาวิธีการในการเดินทางไปถึงเชียงใหม่เคยเจอคนประเภทนี้เยอะไหมยเยอะไหมเนี่ยตรงนี้ก็ปรับปรุงวิธีคิดใหม่สรุปแล้วตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของเนคขมมากับการมัวิตกต้องให้ต้องให้อะไรเกิดนั้นทุกอย่างเหล่านี้เป็นปัจจัยนะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดเนคขมมาก็ได้แล้วก็ กา마วิตกก็ได้ถ้าเราไปติดข้องเขาก็จะเป็นกามาวิตกแต่ถ้าคิดจะสละจะให้จะแบ่งปันหรือคิดเอาทําประโยชน์ทั้งหลายนี้ก็เป็นเนคขมมะและในขณะเดียวกันนะถ้าถามว่าพยาบาทวิตกเนี่ยการคิดพยาบาทเนี่ยโดยมากเราคิดกับคนหรือกับวัตถุสิ่งของพยาบาทวิตกเนี่ยเราคิดกับบุคคลหรือคิดกับบสิ่งของเราโดยมากเราพยาบาทกับสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ไม่จริงหรอกทําไม้หล่นใส่หัวโกรธไหมโกรธไหมโกรธโกรธไหมโกรธ เ, เดินเดินไปเนี่ยไอ้ไม้ไม้มันร่วงลงมาไม่ไม่ไมีใครทำเนี่ยปังหล่นถูกหัวแล้วตอนนั้นโกรธไหมแปลว่าอะไรสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราพยาบาทได้ไหมฝนตกได้ไหมฝนไม่ตก ได้หมดเลยนะเดินก็ไปลองดูมีใบไม้ล่วงเต็มที่นอนยิ้มเลยว่าหรือพยาบาทเห็นไหมว่าพยาบาทวิตกมันเกิดได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยส่วนใหญ่มันเกิดกับสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตโดยมากกับกับของที่มีชีวิตเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเรานั้นตรึกตองถึงเนคขม่าวิป วิตกอภยาบาตวดิโตกอวิง์สาวิโตกอยู่ตลอดคืนตลอดวันและตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็ไม่เห็นภัยนะพระเจ้าไม่เห็นภัยที่เกิดจากการตรึกตองอย่างนั้นแต่เมื่อเราตรึกตองนานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเรานั้นก็ตั้งจิตไว้ในภายในทําให้สงบทําให้เกิดสมาธิประคองด้วยดีที่เป็นเท่นี้เพราะอะไรเพราะเราปรารถนาว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านเลย ภิกษุยิ่งตึกตรองถึงวิตกใดมากๆเธอก็จะมีใจน้อมไปในวิตกนั้นมากถ้าภิกษุยิ่งตึกตรองถึงเนคขม่าวิตกอภยบาดวิตกอวิหิงสาวิตกเธอก็จะละกามวิตกพยาบาดวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นได้กระทาแต่เนคขม่าวิตกอภยบาดวิตกอวิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปในเนคขม่าอภยบาดและอวิหิงสา ตรงนี้ท่านพุทธิย่ายกตัวอย่างบอกว่าในเดือนท้ายแห่งฤดูนั่นแหละเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดถูกนําไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงแล้วคนเลี้ยงโคก็คอยระวังโคไว้เมื่อเขาไปสู่โคลต้นไม้หรือที่แจ้งก็จะต้องระวังอยู่เสมอวันนั่นโคของเราชั้นใดเราก็ชั้นนั้นก็ทําสติอยู่เสมอว่าเรานี้เป็นธรรมเป็นกุศลวิตตกเป็นต้นเออตรงนี้ให้พิจารณาพรทธิย่าต้องการชี้เห็นบอกว่าเนี่ยถ้าเราถ้าเรานึกคิด ถึงเนกขมวิตกมากมากก็จะละกามมมวิตกถ้าคิดถึงอภพยาบาทวิตกมากๆกแล้วก็จะคิดเมตตามากๆก็จะละพยาบาศละโทสะถ้าคิดกรุณามากๆก็จะละความคิดเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกเข้าใจไหมันนอยู่ที่ว่ากระบวนการเนี่ยเราจะคิดประเภทไหนเราจะให้วิตกฝ่ายดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นกับเราสรุปแล้ววิตกฝ่ายดีและไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ มันเกิดขึ้นเพราะใครเป็นคนดาริให้เกิดใช่เราไหมเราเนั่นแหละดาริให้เกิดเราไปโทษคนอื่นได้ไหมบาปเกิดกับเราเนี่ยบุญเกิดกับเราเนี่ยโดยมากใครเป็นคนทำเอาแล้วแต่เนี่เรารู้เลยนะไม่ได้มีพระเจ้ามาโดนบันดาลให้บาปเกิดหรือไม่มีใครมาโดนบันดาล น, นะแต่เราต่างหากเป็นผู้ดาริที่จะทาให้กุศลเกิดก็ได้ให้อากุศลเกิดเป็นต้นก็ได้ ใครยังมีประเด็นปัญหาโอ้โหเนี่ยไม่ทันเวลาเลยไหมเดี๋ยวมาสรุปตรงนี้ก่อนดีกว่าทั้งนั้นทีนี้วิธีละได้ยมาจะเอาอีกในเรื่องหนึ่งมาบอกวิธีละก็คือถ้าหากว่ากามวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นมาเนี่ ย, ยถ้าหากว่าวิตกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีกำจัด อกุศลวิตกเอาใครที่มีกามวิตกเกิดบ่อยยกมือทิใครที่พยาบาทวิตกเกิดบ่อยใครที่วิหิงสาวิตกเกิดบ่อยคิดใครที่ไม่เกิดเลยเอ่ะบาปไม่เกิดเลยเอ่ะมีไหมเอ๊ะถ้าหากว่าไอ้ความง่วงโคมหดหูท้อถอยมันอยู่กลุ่มไหนเอ้ทีนามิชาอยู่กลุ่มพยาบาทวิตกห ร, รือหรือว่าเนคขมาเอาอกามาวิตก คิดในเรื่องการมเนี่ยทำให้ง่วงได้ไหมง่วงได้ไหมหงุดหงิดทำให้ง่วงได้ไหมได้หงุดหงิดผสมกับความง่วงไม่เคยเป็นเอยถ้าคนบางคนนั่งอยู่ใกล้กันเนี่ยมันง่วงทั้งคู่อีกคนนึงโกรธทำไมโกรธเน่ก็อีกคนนึงนคนเนี่ยนั่งหลับทั้งคู่อีกคนนึงลุกขึ้นมาโวยวายอย่าง ทำไมรู้ไหมอีกคนนั่งหลับข้างๆก็นั่งกล้นด้วยลำคาญมันลำคาญลุกขึ้นมาโวยโวายบกทำให้เขาต้องตื่นไงเวลาเขานั่งอย่างเงี้ยเราเป็นแบบนี้ไหมเออตรงนี้คืออย่างนี้เวลากลาม่วิตกเวลากลุ่มที่พิกสูผู้ขวนขวายในอธิจิตนะถ้าปรารถนาหรือพวกเราเนี่ย ถ้าปรารถนาที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธิระดับสูงนะเช่นคณิกาอุปจาระโดยเฉพาะอัปนาสมาธิเนี่ยควรที่จะใส่ใจควรที่จะใส่ใจในนิมิตที่ประกอบไปด้วยกุศลก็แปลว่าถ้าปรารถนาอยากจะให้จิตของตนเองเนี่ยมีกำลังมีสมาธิหรือมีความตั้งมัน่นให้คิดถึงทานกุศล บ, บ่อย ศีลกุศลให้คิดถึงสมถาวิปัสนาที่อื่นนอกจากนิมิตที่ใส่ใจแล้วที่ทำให้เกิดวิตกที่เป็นบาปอกุศลและธรรมหนึ่งก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าไอความคิดของเราเนี่ยมันน้อมไปในกามมันน้อมไปในน้อมไปในโทสะน้อมไปในโมหะถ้าใส่ใจในมิตรก็จะละวิตกสมมติถ้าเราน้อมนะ ถ้าเราคิดถึงในเรื่องของนื้ถ้าเราเลึกถึงเหตุที่ประกอบไปด้วยทานอกุศลศีลกุศลสมถาวิปัสสนาที่นอกไปจากอารมณ์เน้ที่ทำให้เกิดอกุศลถ้าเราลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดการมาฉันทาเกิดขึ้นเกิดพยาบาทเกิดขึ้นเกิดโมหะเกิดโลภะโทสะโมดขึ้นเนี่ยถ้าคิดถึงรูปที่สวยและไม่สวยเสียงที่เพาะและไม่เพาะกลิ่นที่หอมและไม่หอมรสที่อร่อยหรือไม่อร่อย สัมผัสที่นิ่มหรือไม่นิ่มถ้าคิดอย่างเนี้ยวิตกอะไรจะเกิดอาจจะคิดถึงรูปที่สวยๆอะไรเกิดคิดรูปที่ไม่สวยอะไรเกิดอะไรเกิดคิดถึงสีที่สวยๆอะไรเกิดเสียงสีที่ไม่สวยอะไรเกิดอะไรเกิดนะทำท่าไม่ได้ยินแล้วพยาบาทเกิดไหม วิหิงสาเกิดไหมเกิดด้วยยัน้นถ้าเสียงที่เพลาะเพาะอะไรเกิดถ้าดําเรียนว่ากาไว่ตกเกิดถ้าเสียงที่ไม่เพลาะถ้านึกถึงเสียงด่าอะไรเกิดพยาบาทวิตกก็เกิดใช่ไหมล่ะพระยาบอกอย่าคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้บาปอคตศรัทธามันชั่วร้ายก็จะมีกําลังให้คิดถึงทานคือการให้ อ๋อ oh, สีนี้เราเคยให้เป็นทานแล้วอมองไปบนบนไฟที่เนี่ยไฟมองเห็นไหมมองอ้ะยอมมองพวยอมคิดอะไรลองคิดดังๆให้พระฟังที่อมองเหอนไฟนเนี่ยมองดิมองหรือยางแล้วคิดอะไรคิดว่างไงนะแสงสว่าง ว่าเออถ้าคิดอย่างนี้ไหมว่าโอ้เราเคยถวายไฟนี้บูชาพระรัตนาตายแล้วถ้าคิดอย่างนี้อะไรเกิด เ, ออเนี่นเาขมะเกิดถ้าคิดบอกโอ้โหเดี๋ยวจะไปซื้อไปประดับไว้ที่บ้านอะไรเกิดน้อยใจจริงๆทำไมบ้านฉันไม่มีอะไรเกิด พยาบาทวิตรอกเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยพุทธญาติอย่าให้อย่าไปคิดว่าโอ้โหสวยไม่สวยนะโหสีสวยไม่สวยกลิ่นดีเสียงดีไม่ดีกลิ่นอะไรต่างๆเลยถ้าไปคิดในลักษณะ น, นี้มันจะเกิดการเกิดพยาบาทเกิดการเกิดพยาบาทแต่เราคิดว่าสีนี้เราเคยให้ทานแล้วสีเสียงนี้เราก็เคยให้แล้ว กลิ่นนี้เราก็เคยสละเคยให้เคยบูชาแล้วรสเบียวหวานมันเค็มเราเคยสละเคยบูชาเคยให้แล้วโพธภานี้เราก็เคยให้เคยสละเคยบูชาแล้วเนี่ยคิดอย่างนี้ของสวยๆงามๆแบบนี้เราจะสละมีโอกาสเราจะสละเราจะให้เราจะบูชาถ้าคิดลักษณะนี้เนคคัมมะเกิดอภยาบาตก็เกิดอวิหิงสาก็เกิดมันจะน้อมไปที่การสละการให้น้อมไปที่เมตตาน้อมไปที่กรุณา ขยายย่างฉะนั้นดํมบิถ้าเราไปดํมบิในนิมิตที่ประกอบไปด้วยโลภะนิมิตที่ประกอบไปด้วยโทสะความโกรธที่ประกอบด้วยโมหะความหลงความไม่รู้เรื่องลักษณะงี้บาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายก็เกิดพระเจ้าบอกให้เปลี่ยนนิมิตวิธีจะแก้วิตกเหล่านี้เปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนว่าฉันจะให้ฉันจะให้ทานเอาเนี่ยแสงสว่างเนี่ย เราคิดเรื่องทานกุศลได้ไหมคิดศีลกุศลหน่อยที่เอาเวลาเอาเอาไปถวายบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นจารีตศีลไหมเป็นสิน่งที่พุทธบริษัทพึงกะระทําต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ไหมเนี่ยเป็นจารีตเป็นศีลเป็นไม่เป็นเป็นดิเอาซื้อของสวยๆทำ ง, งานไปให้พ่อให้แม่เป็นจารีศีลไหม ไเป็นทั้งทานกุศลเป็นทั้งศีลกุศลมันอยู่ที่วิธีคิดเห็นไหมถ้าคิดถึงนิมิตถึงทานกุศลศีลกุศลเป็นภาวนากุศลได้ไหมเป็นไม่เป็นอา้าวเป็นยังไงลองเป็นสมถะภาวนาดูทีทําท่าคิดนานทําท่าคิดนาน <c oughs> <c oughs> ก็ท่านไม่สอนนี่ทำไมไม่พูดคำนี้ละ่ะ ท่านสอนก่อนสิเดี๋ยว เ, เ, เดี๋ยวยมจะคิดตามเออไม่พูดคำนี้กันเลยแปลกจริงๆ ท, ท, ท, ทําทีทาท่าเหมือนจะคิดได้ฉันรู้ว่าพวกเราคิดไม่ได้เจ่ไหมล่ะอาคิดให้เป็นสมถะภาวนาได้ไหมเอาพอเห็นแสงสว่างก็นออ้อมมืออ้าอีตีปีโสพระวาอรหังจิตเป็นสมาธิไหมเป็นไม่เป็นเป็นสมถะภาวนาได้ไหมเป็นทำไมไม่เป็นไหะเจริญพุทธคุณได้ไหมเนี่ย เออแสงสว่างอย่างนี้จเจริญเพื่อทักคนเอาและฉันจะเอาแสงสว่างเหล่าเนี้ยบูชาคุณของพระเจ้าว่างงั้นเถอะบูชาพราะปัญญาคุณโอ uh, ้ปัญญานี่แสงสว่างไหมบูชาเพราะบริสุทธิ์ที่คุณบูชาพระมหากรุณาที่คุณโอ้โหเปิดคิดไปแล้วเป็นยังไงเป็นสมถะได้ไหมเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนายัางได้ทเที่ยงหรือไม่ทเที่ยงเนี่ยมันมีความแตกผุพังไปเป็นธรรมดานะ ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หมดแล้วเห็นไหมว่าถ้าคิดไปในทานกุศลศีลกุศลสมถะภาวนาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นะนะคิดอย่างนี้แล้วเขาเรียวกว่าเป็นการออกจากนิมิตที่ไม่ดีเข้าหานิมิตที่ดีอย่างนี้วิธีการละกามวิตกละพยาบาทวิตกละวิหิงสาวิตกเข้าใจยังวิธีละถ้าเกิดวิตกฝ่ายชั่วมันเกิดขึ้นให้ให้ละแบบนี้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้วละไม่ได้ทําไงต่อทำไงต่ อ, ตอเอา้าอ้าถ้าคิดอย่างนี้แล้วละไม่ได้ทํายังไงต่อนั่งร้องไห้ทำไงต่อครั้งที่สองถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่สามารถจะละได้เนะให้พิจารณาเห็นโทษของการมวิตกพยาบาทวิตกหิงสาวิตก ว่าเอากระสวิตกเนี่ยมันทําลายความดีไหมมันเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายใช่ไหมขัดขวางปัญญาไหมล่ะประสบทําให้ประสบความทุกข์ไหมไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยมันมีโทษแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นมีทุกข์เป็นวิบากมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยไหมและมีทุกข์ในอนาคตด้วยไหมสรุปแล้วว่าถ้าการมวิตกเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นบาปเป็นอกุศลมันทําลายความดีด้วยใช่ไหมลราเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วมันเป็นมีทุกข์เป็นวิบากมีทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็จะมีทุกข์ในอนาคตด้วยไม่ได้เป็นไปเพื่อเพื่อพระนิพพานด้วยถามว่าคิดอย่างเนี้ยมันจะบรรเทาได้หรือไม่ได้ได้ไหมเช่นพอเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยต้องรีบคิดไหมว่าเออเนี่ยตอนนี้เบียดเบียนตนนี่ยังเบียดเบียนคนอื่นนี่ยัง เริ่มทําสมมุติว่ายอมยอมนั่งตรงนี้แล้วยอมกโกรธยอมกโกรธเลยนะสมมุตินะโกรธเดี๋ยวเนี้แล้วมองมาที่ฉันมองมาที่พระในขณะที่ยอมกโกรธนะั้นความกโกรธทําลายยอมไหมทําลายฉันได้หรือเปล่าทำลายหรือเปล่าทำลายทาลายหรือไม่ทําลายฮะชื่อว่ายอมเบียดเบียนฉันไหม ในขณะที่ยอมโกโรธแล้วก็มองหน้าฉันอยู่เนี้ยหรือไม่มองก็ได้อ่ะฉันเห็นยอมโกโรธอยู่เนี้ยยอมชื่อว่ายอมทําลายฉันไหมทําลายยังไงแทนที่จะทํากุศลจิตแต่ชโลมให้ฉันเห็นใช่ไหมล่ะเออถ้ายอมสีหน้าผ่องใสมีเมตตามีความรากักความปรารถนาดีเอื้อทอนแล้วฉันมองยอมแล้วฉัน เป็นเหตุทำให้ฉันเจริญกุศลอยู่ไหมฉันเห็นฉันดีใจไหมฉันสุขใจไหมสุขใจฉะนั้นยอมต้องไม่โกรธเพราะโกรธแล้วมันทำลายตนเองด้วยทําลายฉันด้วยแล้วทําลายทั้งสองฝ่ายด้วยทําลายส่วนรวมด้วยนะใช่ไหมแล้วมีทุกข์เป็นวิบากไหมปัจจุบันเป็นทุกข์ไหมผลความความทุกข์ก็จะทําให้ประสบความทุกข์ในอนาคต ด, ด้วยเป็นไปเพื่อพระนิพพานหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็น ไม่เป็นลักษณะนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะละวิตกได้จะลพะพวกกลุ่มการมวิตกได้เอาถ้าเกิดการมวิตกมันจะไสมมุติว่าโยมเกิดอยากติดใจไฝ่กสันอยากอยากจะได้สิ่งของใดๆอยากได้สีเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์เนี่ยมาบมเบมลอตอบสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนั้นเบียดเบียนตนหรือยังเบียดหรือยังเชื่อว่าเบียดเบียนคนอื่นไหมทําให้คนอื่นเห็นปฏิกิริยาเราอะ่ะ เขาเกิดบุญและเกิดบาปเร่องมากเกิดบาปเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไอ้คนที่โลภมากๆเนี่ยทําลายสิ่งแวดล้อมไหมลม่ะเอาให้คนคนโกรธมากๆก็ทําลายสิ่งแวดล้อมลองมีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมากระทือบท้าตอนเนี้ยบรรยากาศเสียไหมลุกขึ้นมากระทือบท้าแล้วชี้หน้าพระเมื่อไรจะเลิกสุที่ <c oughs> บรรยากาศเสียไหมเงี้ยโอ้โหทำลายสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นย่อมเคยแบบนี้ไหมไม่เคยนะเนี่ยลักษณะถ้าอย่างนี้วิธีที่สองให้พิจารณาถึงโทษของตัวเขาที่มันเกิดขึ้นมาตลอดถึงโทษที่จะตนเองจะรับในการต่อไปด้วยในการมวิตกพยาบาทวิหิงสาประการที่สามเวลาการมวิตกเกิดขึ้นพยาบาทวิตกเกิดขึ้นวิหิงษาเกิดขึ้นเนี่ยนะเออ อย่าใส่ใจครับนะเช่นในขณะที่ดูลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือในขณะเออในขณะที่กทํากิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดบาปมันเกิดเกิดความกําหนัดขัดเกิดขึ้นขัดเครื่องเกิดขึ้นเกิดบาปอกุศลเกิดขึ้นตอนนั้นแบบไม่สนใจเขาแต่ให้มาสนใจกรรมฐานฉันจะเกิดก็เกิดไปแต่ฉันจะดูลมหายใจเข้าออกเออเกิดเกิดไปฉันจะเจริญพุทธคุณ เวลาถ้าการมโนทตกเกิดขึ้นนยอาอยอมมองางนี้เลยนะไปอยู่บนรถหรืออยู่ไม่ที่ไหนสวดพุทธคุณเดียวนั้นเลยได้ไหมยอมเช่นเวลาเข้าไปในห้างเวลาเกิดความกําหนัดยินดีอยากจะได้อะไรหรือเกินรู้สึกมันทําลายมันอยากจนรู้สึกตัวสั่นเลยอีตีปีโสพระเขาว่าอัลละหังขึ้นหน่อยได้ไหมได้ไม่ไดไ้ถ้าอย่างนี้จะหายไหมสวด สวได้หลายรอบสวดไปสวดไ้หายไม่หายได้เจริญกรรมฐานเลยฝึกอย่างใดหนึ่งนีวิธีนี้ก็ละได้อภรการที่สี่เดี๋ยวต้องรีบพูดแล้วจะหมดเวลาลวให้พิจารณาเหตุเกิดของอกุศลวิตกอะไรเป็นปัจจัยทำให้เกิดกามวิตกอะไรเป็นปัจจัยเกิดพยาบาทวิตกอะไรเป็นปัจจัยเกิดวิหิงสาวิตกอะไรทำให้เรา ติดใจใยกระสันอะไรทำให้เราเกิดพยาบาทอะไรทำให้เราเกิดคิดอยากจะเบียดเบียนอะไรรู้ไหมสัญญาวิปราชคำว่าสัญญาวิปรราชแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรย่อมเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนาฬิกาใช่ไหม ถามก็รีบตอบที่ยอะเวลาจะหมดไม่ได้ทอบไม่ได้ตอบยากอะไรเลยนะเนี่ยอยทํามีทํนาคิดนานเหลือเกินยอมอตายลำบากยังพูดกับใครอยู่ก็ไม่รู้ยอมมันมึนๆหรือไงแล้ว ม, มันมันง่วงไงอันนี้อะไรเนี่ยเออแค่นี้แหละก็นาริกาแท้ๆผ้าก็อุตส่าห์ยกให้ดูอยู่นี่แหละเออแล้วมาจะอยบมาไ เ, เนี่ย คำว่านาฬิกาเนี่ยเห็นให้สังเกตดูไหมว่าใครทำให้เราเรียกว่านาฬิกามันเป็นกฎความจริงหรือกฎสมมุติเห็นไหมกฎสมมุติมันไม่ใช่กฎความจริงอะไรนะมันเป็นข้อตกลงกันว่าให้สมมุติเรียกกันว่านาฬิกาก็เลยเรียกว่านาฬิกาดีนะเนี่ยถ้าเราไปสมมุติเรียกอีกอย่างอะ่ะ ใช่ไหมไปตกลงกันอีกอย่างมันก็มันก็ต้องเรียกไปอีกอย่างไอ้ตรงเนี้ยเขาให้สื่อสารเพื่อจะให้รู้เนี่ยห้องนี้ทั้งหมดเขาเรียกห้องอะไรเนี่ยห้องปฏิบัติธรรมใช่ไหมเอาเรียกเป็นวัดได้ไหมได้ไหมจริงจริงลองตกลงร่วมกันก็เป็นลองลองทีเอาละฉันไม่อยากทำแล้วยุ่งพูดเนี่ยเอาถวายสงฆ์ดีกว่าให้เป็นวัดฉันเลิกแล้ว ถามมันจะเป็นวัดได้ไหมมันก็เป็นได้ทันทีลองดูทีเอาแล้วคณะกรรมการมาตกลงกันว่าเบื่อเหลือเกินทามาหลายปีแล้วทําแล้วทํามาก็ยังไม่มีใครบรรลุสมมติเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีสักทีเลยว่างั้นเธอเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยรู้สึกค่าใช้จ่ายก็เยอะอย่ายุ่พูดเนี่ยว่างั้นเธอ แหมเขาให้มาอยู่เฝ้ายู่พุทธก็เหมือนกับเจ้าวาดเฝ้าวัดนี่แหละไม่ต่างอะไรกันคิดไปคิดมาว่าเบื่อแล้วไม่ไหวไปนี่มลพาเมางั้นเชิญท่านมาอยู่ประจําแล้วก็ทําเป็นวัดไปเลยก็ตั้งไปชื่อวัดตั้งว่าวัดอะไรดียะวัดยู่พุทธแล้วเอาใครเป็นเจ้าวาดเอายมทวีใช้บวชบวชก็เป็นเจ้าวาดไปเลยเนี่ยแค่นี้เป็นวัดได้ไหมต่อไปเขาจะไม่เรียกยูพุทธแล้วเขาเรียกวัดเห็นไหมมันข้อตกลง แต่สัญญามนุษย์เนี่ยเวลามันไปเขาให้สมมุติเรียกกันเพื่อเป็นสื่อสารกันเท่านั้นแหละมันไปวิปลิตแท้จริงมันคือดินนะเนี่ยมันมีธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมมันมีสีมันมีกลิ่นมันมีรสมันมีโอชามันมีแปดรูปนี้แค่นี้แหละเอามาทําลักษณะอย่างนี้เอ่อที่มันมีข้างในเดินติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กแล้วก็กําหนดเรื่องกาลเวลากันก็ไปก็เลยเรียกว่านาฬิกา แต่พอสัญญาวิปลาดนี่แหละมันดันไปยินดีพอใจก็เหมือนมนุษย์เราเยอมเนี่ยพวกเราเนี่ยเห็นไหมยงมนุษย์เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส์ใหญ่ไส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองที่ธาตดินนะแล้วก็มีพวกดีเสเลตหนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาปเปรียวมันนิธาต้น้ำ แล้วก็มีลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องช่องท้องลมในลาไส้ลมพัดผ่นไปตามวัยวัฒน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าออกนี่ธานลมแล้วก็มีไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโสมไฟที่ไปเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้นไฟที่ทําให้แกงงอมเป็นไข้ป่วยเงี้ยจนถึงเผาหล่นจะตายเนี่ยนี่คือธาตุไฟสรุปกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันเรียกว่าคนเรียกว่ามนุษย์ แต่พอสัญญามันวิปิริตขึ้นมามันจะมองว่าเป็นหญิงเป็นชายโอ้โหสวยไม่สวยดีไม่ดีวิปริตรไหมนี่แหละพวกกามวิตกความดำ่ริิในกามพยาบาทวิตกที่ไปเครียดไปโกรธวิงหาวิงสาวิตกความดำรงิคิดเบียดเบียนทั้งหลายมันมาจากสัญญาวิปลาชสัญญาวิปริตรอันเดียวกันนั่นแหละสัญญาวิปริตวิปลาส ถ้าสัญญาวิปราสมากๆก็ไปเดินอยู่ตามถนนยมก็เห็นไหมคนที่เดินไม่รู้จักชื่อตัวเองแล้ววิปราสเยอะอย่างตอนนั้นอ่ะอันนั้นเยอะแล้วแต่ยังพวกเรามันจะค่อยๆวิปราสไปเรื่อยๆสัเงเกต ด, ดูไหมยังค่อยๆไปโอ้บางคนก็ไปเนี่ยไปคิดว่าบ้านเราบ้านเาราทรัพย์เราใช่ไหมแผ่นดินคิดด้วยแผ่นดินเนี่ย ใช่ไหมถ้าคนมีสัญญาวิปลาสเราเข้าใจว่าเป็นที่เราใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วก็ไปกอดโฉนดในใบนั้นเราโอ้โหกอดใหญ่ใช่ไหมอา้าวเรานึกถึงตอนที่พระเจ้าตักศินมหาราชนะ่ะพระเจ้าตากสินมหาราชนะ่ยท่านที่กู้บ้านแปลงเมืองเบีดเสร็จตอนนี้ท่านก็หลังจากกู้มาได้แล้วท่านก็ไปลงศิลาจารึกไว้ที่ไหนวัดอรุณนะไปดูสิเนี่ยวัดอรุณราชวราวราลารามเนี่ยวัดแจ้งนะ่ะเคยไปไหม ไปดูสิลาจารึกที่ท่านจารึกเขาไว้ท่านบอกว่าไงท่านบอกอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่าศาสนาสมณะพระโคดมให้ครบทวน5้าพันประวัติศาสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้เหมาะสมจะเจริญสมถาวิปั ส, สนาพ่อชื่นชมถวายบังคม1อยบาทพระาศาสดา คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราอยู่คู่พระศาสนาใช่ไหมพระพุทธศาสนาอยู่ยืนยงคู่องค์กสัตริย์พระาศาสนาสอนไว้คู่กันใช่ไหมที่ท่านเขียนไว้สรุปตรงไหนไหมว่าตอนสมัยท่านเนี่ยถ้าแถวทั้งใต้ถึงการันตันการันตนูถึงมะละกาถ้าเหนือก็สิบสอปัญ น, นาสิบสองจุไทยนุ่นเสียมราชพระตะบองนุ่นเวียงจันท์หมดเลยนั่นแหละถวายเป็นพุทธบูชามหมดแล้วแล้วต่อมาเราก็มาออกโนด เข้าใจยังก็ทุกตารางนิ้วเนี่ยก็ถวายเป็นพุทธบูชาท่านถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมของเราก็มาออกกันพอเขาพอท่านเข้าใจอะไรในกฎเนี้ยมันจะได้ไม่แย่งกันจะได้ไม่แย่งกันว่าเป็นของพุทธเจ้าเธอสบายใจไม่มเ้อรู้อย่างเงี้ยกลับไปเราก็ไปดูโฉนดโอ้ตายแล้วเรามายึดโฉนดแท้จริงก็แผ่นดินนี่แหละและสัญญาที่วิปลาสเนี่ยมันเกิดเป็นปจัจจัยเกิดกาเมวิตก ใช่ไหมล่ะพอชอบแล้วสําคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเหมือนรถเนี่ยยอมแล้วลองคิดดูไหมว่าถ้าเอาทะเบียนเอายี่ห้อไปติดเข้าไว้เรานึกว่ามันเป็นยี่ห้อนั้นจริงๆต้องเกล่ดูไหมเออนึกว่าเบนท์จริงๆบีเอมจริงๆนึกว่ามิตซูบิชิจริงๆนึกว่าฮอนด้าโตโยต้าจริงๆแท้จริงมันเศษเหล็กทั้งนั้นเลยนะ่ะไอเศษเหล็กที่มันวิ่งผ่านเต็มถนนไปหมดเนี่ยใช่ไหม แต่พอมนุษย์วิปริตขึ้นมาแล้วไปสําคัญผิดขึ้นมาโอ้โหลองคิดดูถ้าไปใส่คําว่าเบนเนี่ยนะกับคําว่าไอ้โตโยต้าเนี่ยไอ้ตันหามันต่างกันเลยนะทั้งๆั้งที่เหล็กเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมมันวิปริตไงไอ้ตันหาระหว่างเบนกับโตโยต้าเนี่ยตันหามันจะไปชอบอะไรมากกว่ากันเห็นไหมถ้าเกิดเบนเก่าโตโยต้าใหม่ นีมันจะไปเยอะโตได้หไหม ม, มันมันรู้ด้วยเนี่ยสัญญาวิเปริตเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้มนุษย์มึนไหมมนุษย์ยุคนี้มึนไหมมึนมานานแล้วแต่ผู้ศึกษาคําสอนจะมึนไหมต่อไปเนี่ยพอเราออกจากที่อบรมตรงนี้ไปพอกลับไปบ้านบอกเลยไปบอกสามีบอกภรรยาบอกลูกบอกก็ต่อไปพ่อไม่มึนแล้ว พอไปแม่ไม่มือนแล้วอย่ า, ามาหลอกเด็ดขาดอันนี้ของสมมุติเดี๋ยวสามีก็บอกแล้วฉันเป็นสามีคุณสมมติได้ไหมเออสมมติถ้า ง, งั้นเดี๋ยวฉันไปหาภรรยาสมมุติใหม่ได้ไหม้ยเฮ้ย<笑><笑>ยไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่อย่าหลงสมมติต้องบอกเขางั้นเขาใจย่ายงเอาล้นี่พูดมาสุดท้ายถ้าทำอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ ไปถอนตัววิปราตอย่างนี้แล้วก็ยังละไม่ได้ยังละวิตกไม่ได้ประการสุดท้ายก็คือให้ใช้กุศลจิตคมกุศลจิตเผาอากุศลจิตใช้อย่างไรโดยประกอบความเพียรสี่อย่างนะร่างกายเหลือแต่เพียงหนังเอ็นกระดูกและเลือดเนื้อในร่างกายจะเหือดแห้งไปถึงแม้จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีนะ เลือดจะหมดไปในร่างกายแต่จะไม่หยุดความเพียรจะไม่เปลี่ยนียาบทจนกว่าจะกิเลสเหล่านี้จะหายไปสมมุตินะถ้านั่งอยู่เนี่ยการมรรตกเกิดอยู่ในียาบทนั่งเอาละฉันจะใช้กุศ ล, ลจิตข่มอกุศ ล, ลจิตฉันจะไม่หยุดความเพียรเด็ดขาดร่างกายจะพังไปเอ็นจะกับ ที่นาดไปกระดูกจะเป็นผุยผงเลือดเนื้อจะหมดสรีละฉันจะไม่เปลี่ยนียาบทอย่างเด็ดขาดถ้ากามวิตกมันไม่หายไปถ้าพยาบาทมิตกไม่หายไปถ้าวิหิงสาวิตกไม่หายไปทําได้ไหมแบบเนี้ยใช้กุศลจิตข่มอะไรข่มอกุศลจิตใช้กุศลข่มอกุศลเลยแล้วก็จัดการเลยแต่เนี้ยกดคอมันเลยได้ไหมวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ ยังไงก็ต้องกระ้าได้ลองดูไหมเอา้านั่งเลยทีนีเ้เดี๋ยวสอนให้นั่งเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งแผ่เมตตานั่งเจริญเมตตานั่งในท่าที่เหมาะสมนะในท่าไหนที่ดูแล้วเหมาะสมให้ให้นึกถึงตนเองก่อนนะ นึกถึงตนเองที่จริงน่ต้องทำเมตตาจิตทำจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งให้เกิดขึ้นนะให้ลองนึกถึงนะจะนึกถึงบุคคลใดก็แล้วแต่นึกไปเถอะเรายังไม่เจอคนไหนที่จะเป็นที่รักเท่ากับตนเองหรอกเออตนเป็นที่รักอย่างยิ่งนะรักอื่นเสมอโดยตนไม่มีให้นึกถึงตนเองแล้วก็น้อมนะ ทำให้จิตที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีทั้งหลายเกิดขึ้นกับตนเองนะที่จริงมันมีศัพท์ที่เขาให้อธิบะีให้ท่องกันบางทีมันผลิตเมตตาเกิดไม่ได้ก็ต้องท่องต้องบริกรรมเช่นอาหางสุขีโตโเมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขต้องนึกตัวที่ ลองทำใจให้เบิกบานทําใจให้อาถานทําจิตให้ลาเลงแล้วก็น้อมความรู้สึกรักปรารถนาดีเอื้ออ่อนแบบจับจิตจับใจให้เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดเนี่ยองนึกเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครใครเลย ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยโอ้การที่เราไปฆ่าเขาไปลักไปประพฤติผิดในกรรมไปพูดเท็จส่อสเสียดคำยาเพื่อเจอ้อไปเอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตการไปผูกเวรคนอื่นโอ้ต่อไปเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วลองดูนะนึกถึงตนเองแล้วก็ ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยนะน้อมจิตดูนะน้อมถึงตนเองดูว่าเออเนี่ยรักปรารถนาดีเอื้ออาทรกับตนเองจริงๆนะน้อมเมตตาน้อมความรักความปรารถนาดีขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์กายทุกใจนะอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย คำใดคำหนึ่งก็ได้ที่เราคิดขึ้นมาให้มีเมตตาจริงๆนึกถึงตนเองนึกให้เมตตาเกิดขึ้นกับตนเองว่าเออเนี่ยเราล่วงการผ่านไว้มามากแล้วเนี่ยบางทีเราลืมลืมรักตัวเองจริงๆสัทีนะเอาละทำความรู้สึกทำความรักทำความเอือ้อทอนปรารถนาดีกับตนเอง ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆให้เมตตาออกมาจริงๆนะให้สังเกตดูก่อนว่าเมตตาเกิดไหมแล้วเมตตาเกิดหรือเปล่าเพราะเมตตาจะไป เกื้อหนุนกับกรรมฐานอื่นนะได้ดีด้วยเราดูอนาปนานสตินั่นแหละแต่ว่าตอนนี้อาแผ่แผ่เมตตาให้เกิดปราโมทให้จิตเอิบอิ่มให้จิตล่าเริงเกิดขึ้นก่อนเอาละเมื่อแผ่เมตตาให้ตนเองได้สักระยะหนึ่งเอาต่อไปแผ่เมตตาให้พระสอ์เลยเอ่ะนะน้อมจิตให้กับพระ แผ่ให้กันเนี่ยพระสงฆ์ที่มาประพฤติปฏิบัติใสถานที่แห่งนี้น้อมจิตขอให้พระสงฆ์จงเป็นผู้มีความสุขเถิดนะใช้มองก็ได้ไม่ต้องหลับตาก็ได้ขอให้พระสงฆ์จงเป็นผู้มีความสุขเนะน้อมเมตตาจิตให้กับพระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย ขอให้ประสงค์อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ประสงค์อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้เป็นผู้มีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดนี้นะแล้วแต่จะคิดออกมาในสิ่งที่ดีๆนี่นะคิดออกมาด้วยใจที่เป็นเมตตาทำความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนทำจิตใจให้เบิกบานล่าเาาริงอาถรรพ์ ผองแผ้วน้อมเมตตาจิตไปให้กับพระสงฆ์นะลองฝึกดูนะให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเงียบเสียงให้เราฝึกกันจริงๆว่าเออฝึกกันได้จริงหรือเปล่าพอเราฟังในเรื่องของเมตตามาพอสมควรแล้วนี่ลองฝึกให้เกิดดูว่านจะเกิดได้จริงไหมเมตตานี่จะลืมตาก็ได้นะ แผ่เมตตาเนี่ยลืมตาก็ได้ลืมตาก็ได้เอาเดี๋ยวบนนมมือขึ้นนะอหังสุขีโตโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาท อาฆาตปองร้ายแก่ใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงาาเป็น ผ, ผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเทินสาธุสาธุ